จเจรนพรญาติโยมทุกคน น, นนี่ก็ได้มีโอกาสม า, รมาบรรยายที่นี่ครั้งหนึ่งได้นั่งสมาธิกันไปหรือยังนั่งแล้วหรอนานไหมกี่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงไหม ยังไม่ถึงนะได้ักเดียวอะไรเดี๋ยวนั่งกันต่ออีกได้นะวิธีทำสมาธิ <c oughs> ที่พระศาสดาได้ถาตรัสไว้ก็มีสมาธิที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็คือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราหรือจิต อยู่กับลมซิ่งลมเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราก็ให้จิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายของเรานะนั่งรู้ว่านั่งยืนหรือว่ายืนเดินหรือว่าเดินนอนรู้ว่านอนถ้าจิตเคลื่อนออกไปนะจากลมหายใจพระตถาคตให้ลกความเพลินแล้วก็เอาจิตกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะทำเท่านี้ก็พอแล้ว ถ้าเรามีปัญญาสังเกตเห็นว่าขณะที่จิตเคลื่อนออกไปนั่นคือจิตเนี่ยไม่มีการรับรู้ในลมเช่นไปหลุดไปคิดอดีตคิดเพลินไปสักพักหนึ่งเราดึงกลับมาที่ลมหายใจความคิดอดีตก็จะดับไปลมหายใจก็จะกลับมารู้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เนี่ยเกิดดับละ เป็นการเห็นการเกิดดับภายในจิตพระโสดาบันจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตอย่างนี้นะจิตรู้อยู่กับรูปคือลมหลุดไปปุ๊บไปคิดอดีตไปคิดอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างเนี่ยมันจะต้องดับจากลมก่อนแล้วจิตดวงใหม่ก็จะเกิดในอารมณ์นั้นๆแล้วเราก็จะเพลินต่อไป เรามีสติเมื่อไหร่คือการระลึกได้เราก็จะระลึกกลับมาที่ลมหายใจนะเราจะเห็นการมาการไปของจิตซึ่งจิตหรือวิญ ญ, ญาณขันเราเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธรรมธาตุวิญ ญ, ญาณขันจะวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้ามันไม่รู้ลมหายใจมันก็จะไปคิดอดีตไม่คิดอดีตก็จะไปคิดอนาคตสังขารบ้างไปรู้สุกทุกข์บ้าง พระตถาคตบอกว่าพระโสดาบันจะมีอัสาระญาณคือความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไปคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยเวียนอยู่ในสีธาตุเนี่ยเวียนไปเป็นมาเกิดดับบนอยู่ในสีธาตุนี้น <c oughs> คนที่มามีความรู้ตรงนี้ <c oughs> ก็จะต้องมานั่งดูจิตของตัวเองโดยให้จิตของตนเองเนี่ย อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจรู้สึกเฉยๆแค่ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกออถ้าโยมไปกราบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็สอนแค่ว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้นะพระตถาคตสอนอย่างนี้ เราก็ทำแค่นี้ภิกูุนในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นนะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะรู้กองลมทั้งปวงเนี่ยรับรู้เฉยๆทำกายสังขารให้ลำงับอยู่ <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกอย่างนีนะ้พระตถาคตก็สอนแค่นี้เราก็ทำแค่นีนะ้ทำตรงไปตรงมาตามที่พระศ า, ศาสดาบัญญัติ อ่ะลองนั่งสมาธิกันต่อยสักพักไหมกำหนดรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนะเปรียแบบเหมือนการจับลกด้วยมือนะอย่าตั้งใจเกินไป ครูจ้าบอกจับนกได้มือเนี่ยบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือจับพอดีพอดีตั้งใจพอดีอย่าตั้งใจมากจะอึดอัดแน่นหนอกแน่นหนอกปวดหัวกลายเป็นว่าเราไปปรุงแต่งลมหายใจให้สั้นให้ยาวให้เบาบางังแรงบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะอึดอัดเป็นนั่งเล่นธรรมดาสบายสบาย แค่เอาใจมาอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกพอละถ้าจิตเคลื่อนออกไปให้มีความรู้ตัวแล้วรีบลักความเพลินกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออก จิตเคลื่อนหลุดออกไปก็ให้ละนันทินันทิแปล ว, ว่าความเพลินให้ละความเพลินเอาจิตปูรู้เรากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเคลื่อนออกไปสู่อารมณ์เราก็มีหน้าที่ รู้ตัวให้ไหวแล้วเอากลับมารู้ลมหายใจครั้งหนึ่งข่มจิตในสมัยที่ควรคง ประคองจิตในสมัยที่ควรประคองทําให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทําให้ร่าเริงเพ่งอย่างยิ่งในสมัยที่ควรเพ่ง สติอันบุคคลเจริญทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงใหญ่มีอมะตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพระลาหนหรือพระนาคามีในปัจจุบันนี้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 พระตาตาคตบอกถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำชื่อว่าเราเป็นผู้ทําความเพียรเผากิเลสอยู่ขณะนี้เราได้ทําความเพียรเผากิเลส ขณะนี้เราเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคาสอนของพระสาสดาปฏิบัติตามโอวาทดังพุทธวจนะที่ปรงตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดยืมมือภิกษุนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระสัสดาปฏิบัติตามโอาวาทไม่ฉันบินบาตของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดี และถ้าใครจะกล่าวว่าอะไรคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดให้เขากล่าวว่าอาณาปานสติสมาธินีแหลว่าเป็นอริยวิหาร เป็นตถาคตวิหารเป็นพรหมวิหาร <c oughs> ขณะนี้ระวางจิตด้วยเครื่องอยู่อาศัยของจิตที่ถูกต้อง คืออาศัยกายคือลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตของเราฐานที่ตั้งของการระลึกได้จิตจะเคลื่อนไปที่ใดก็ตามให้กลับมาระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าออกของเรา พระธารคตรบอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งจิตยอยู่กับกายตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขแยงจมูกจะจุดเอาพิสุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงลิ้นจะจุดเอาพิสุไปหารสที่น่าพอใจ รสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักข ย, ยง <c oughs> <c oughs> กายจะฉุดออาพิสุจ์ไปหาสัมผัสที่น่าพอใจสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักข ย, ยงใจ จะฉุดเอาพิสูุไปหาธรรมารมที่น่าถูกใจธรรมารมที่ไม่น่าถูกใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยง ใจของเราจะวิ่งไปตามความอยากเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรื่องของมันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่เราคืออย่าลืมลมหายใจลืมแล้วก็รีบกลับมาละล็ดได้เหมือนเดิมพระสัสดาสั่งภิกษุว่าให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลง ในลมหายใจเพราะองค์ตว่ากายยกตาสติอัญชนเราใดหลงลืมอมาตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมกายยกตาสติอัญชนเราใดบริโภคแล้ว อามาตะชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นบริโภคแล้ว ขณะที่จิตรู้ลหมหายใจพยายามอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอกุศลทั้งหลายอากุศลทั้งหลายมีสามอย่างคือกามพยาบาทเบียดเบียนความคิดยินดีเป็นในทางรูปเสียงกลิ่นรสความคิดไปในทางพยาบาทความคิดไปในทางเบียดเบียน ก่อนออกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาจิตที่ปร า, าศจากอกุศลวิตกดีแล้วพรงตัดกับวาเสต่าว่าให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตา <c oughs> แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องต่ำเบื้องขวางเบื้องบน เปรียบเหมือนบุรุษผู้เป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดการเจริญเมตตาภาวนาก็เหมือนกัน ก็ให้เราค่อยๆออกจากสมาธิมานะเราก็นั่งสมาธิมาได้เกือบยี่สิบนาทีพยายามทำบ่อยๆนะ พระศาสดาก็ขอแค่ช่วงเวลาเอานิ้วมือมาลัดแค่นี้ช่วรัดนิ้วมือพระองค์ก็สัรเสริญแล้วว่าเราเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคาสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทพระศาสดาไม่มีการพูดเล่นนะพูดเฟิร์เจอร์พูดแต่คำตรงคำจริงเพราะฉะนั้นแม้เราจะ รูล้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือนะอย่างในพระสูตรนี้ <c oughs> ถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือพิสูนนี้เรากล่าวว่าอยู่ใบเหินห่าจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามอูวานะไม่ฉันบินตบัดของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงผู้ประทำไม้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า นี่เราทำเกือบยี่สิบนาทีนี่เกินลั ด, ดิืวมือมาเยอะแล้วน ะ, ะก็ได้ประโยชน์ถ้ายอมทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นปกติสม่ำเสมอก็จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุปัจจัยของความเจริญในทางโลกและทางธรรมนั้นพระศาสดา บ, บอกว่า ศีลต้องดีสมาธิดีประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้สุญญาคลาวัตงอกงามสี่อย่างนะตัวสมาธิจะเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีโยมต้องการสร้างกรรมที่เป็นฝ่ายดีที่จะส่งผลก่อนผู้เจ้าบอกให้ทำสมาธินะขณะทำสมาธิไม่ต้องพูดเรื่องศีลเลยศีลดีโดยอัตโนมัติ 20นาทีนี้เราไม่ได้ปกป้องทางกายวาจาสินครบโดยอัตโนมัติเวลาพูดเรื่องทาสมาธิผู้เจ้าจึงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องศินเพราะขณะที่ทาสมาธิสินครบแล้วได้สมาธิอยู่กลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงของจิตจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราเห็นโอ้มันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเราอยากให้ตั้งอยู่กลมหายใจมันยังไม่เชื่อเราเลย นั้นแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ใช่เราถ้าจิตเป็นของเราจริงเราต้องสั่งจิตได้ว่าจิตอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่เพราะจิตจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติของมัน <c oughs> เราจึงเลยเลยสั่งหรือควบคุมมันได้ชั่วคราวแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงต่อไปตามเหตุปัจจัยของมันเราก็จะเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาเห็นความไม่เที่ยงของจิต ของอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เกิดแล้วก็ดับ ใ, ใครเห็นความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตนี้พระองค์บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ย <c oughs> จิตของเขาก้าวเข้าสู่สมมติานนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพบปรบุรุก้าวล่วงพ้นปุิชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกําเนตรเชาหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้พระโสดาบันในขั้นผลเพราะเมื่อจิตเขาเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าเขาอยู่ในโสดาบันประเภทขั้นมรรคละ โสดาสกิทาคาร์นาคาพละหันแบ่งเป็นอย่างละสองคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกัตาคามิมักสกัตาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอลาตามักอลาตาผลผู้กําลังเดินมักในอริยบุคคลขั้นนั้นแล้วก็ได้ผลของความเป็นอริยบุคคลขั้นนั้น วิธีการพวานาก็ทำแค่นี้ทำแค่นี้เพียงพอต่อการเข้ามรรคผลนิพพานละ้ะศาสดาให้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้ <c oughs> แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับยอมทำแค่นี้ทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ย, ยมจะได้ความไม่ตาย ที่พระองค์บอกว่าผู้ใดทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาาปานสติสมาธิผลที่เขาหวังได้สองอย่างในชีวิตปัจจุบันคือพระอหรหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลนั้นทำให้มากเขาไว้ยืนยันโดยคำพระศาสดา น, นี้พิสูนทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอ น, น, นิสงอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิคือมีอุปท า, านเหลืออยู่ความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีนี่คือข้อมูลจากพระไตรปิฎกบาลีสามรัตน เพราะฉะนั้นความถูกต้องในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะใช้อาจารย์คนเดียวคือพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของเราธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้ถูกต้องที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดธรรมะของพระองค์คำพูดของพระองค์อยู่ที่ไหนหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกคือบาลีสยามรัฐ ตัวนี้สี่สห้าเล่มนะแต่ในบาลีสรามรัตนั้นไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในข้อมูลที่เก่าที่สุดเนี่ยมันก็มี2 ส, ส่วนคือส่วนที่เป็นพุทธวจนะคำจากพระศาสดาโดยตรงกับส่วนที่เป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่นะเพราะนั้นะนะนะนะคำที่แต่งขึ้นใหม่ผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปฟังหรือคำของสาวกพูดเนี่ย ให้ฟังแต่คำสถาคตเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้เจ้านั้นเป็นสัพพัญญูเก่งที่สุดในการบัญญัติธรรมะและวินยัยศาสดาเป็นคนบัญญัติสาวกไม่มีหน้าที่บัญญัติสาวกฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามถึงที่หมายนะแต่คนที่ตรัสรู้รู้เรื่องนี้อย่างกระจ่างแจ้งคือศาสดาและพูดมาไม่มีข้อผิด เพราะนั้นแต่ก่อนเขาทรงจำแต่คำพระพุทธเจ้าจนมามีความเห็นเพิ่มเติมก็เลยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพระแต่วิดกจึงมีสองส่วนส่วนที่แต่งเติมขึ้นกับส่วนที่เป็นเนื้อแท้ท่านพุธธทธทาสเห็นปัญหาตรงนี้จึงแยกแยกนะส่วนที่เป็นคำพาษาสดาออกมาคืออริสัต์จากระโอษฐ ภาคต้นภาคปลายปฏิจจสุบัติพุทธประวัติแล้วก็ขุมทรัพย์ห้าเล่มทั้งชีวิตของท่านท่านใช้เวลาอยู่ยี่บสองปีทำได้ห้าเล่มเพราะแต่ก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ปัจจุบั น, นเรามีคอมพิวเตอร์เราก็เลยสืบสารพุทธประสงค์ของพระศาสดาที่พระศาสดาบอกให้ฟังแต่คำพระองค์ คณะสงฆ์แล้วก็คณะคาราวะด้วยช่วยกันทารวบรวมพุทธวจนะจากบาลีเซียมรัตออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกนะเราจะมีคำพระสสดาของเราเพียวๆโดยที่ไม่ปนเปื้อนคำของผู้ใดขนาดนี้สามิบสามเล่มนะั้นคำพระศาสดาของเราทั้งหมด มีประมาณนี้ส3สามเล่มในนี้จะมีข้อมูลทั้งภาษาบาลีภาษาไทยหน้าต่อหน้าคู่กันไปเลยสงสัยการแปลภาษาไทยเช็คบาลีได้ทันทีนะแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ถูกเก็บไว้ใน ซีดีแผ่นนี้ซึ่งจะแจกให้พวกเราทุกวันนี้ด้วยนะพร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจหามนะินาทีเดียวโยมสามารถตรวจเช็คได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดคํานี้ไว้หรือเปล่าสมมุติว่าโยมสงสัยว่าเอ๊อาจารย์คึกฤิ์มาสอนอาณาปานสติตกลงพระเจ้าเคยสอนหรือเปล่าท่านคิดเองหรือเปล่าหรือครูบาอาจารย์ท่านจํามาผิดหรือเปล่า เ, เราก็ขีคําว่าอาณาปานสติ เข้าไปในโปรแกรมแผ่นนี้แล้วก็กดค้นหานะโปรแกรมก็จะสแกนให้ <c oughs> เราคีย์อนาปายอย่างนี้นะกดค้นหานะอ่าวินาทีเดียวก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเราก็ดึงข้อมูลขึ้นมาเห็นนะพระต บ, บิดกฉบับบาลีสามรัฐภาษาไทยเล่มที่สิบเก้า พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิเ็ดสังยุตตนิกายมหาวรวัตรนะหัวข้อที่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายอาณาปานสติเห็นนะคีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปคอมพิวเตอร์มันก็จะทำสีมาให้ว่าเนี่ยเขาเจอในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กี่ตำแหน่งกี่ตาแหน่งมันก็จะบอกออกมาหมดนะแสดงว่าเป็นคำพระศาสดาจริง สังเกตคืออยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายนะแต่คำที่แต่งขึ้นใหม่ในพระไตรปิฎกจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าที่บายว่าถ้าเราขีคำว่าบทว่าเข้าไปนะไปดูลักษณะคำที่แต่งขึ้นใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ขี ค, คำว่าบทว่ากดค้นหานะ ข้มูลขึ้นมาแล้วเราก็ดึงขึ้นมาบทว่าหนึ่งใดความว่าผู้ใดบทว่าพิสุที่ชื่อว่าพิสุเพราะอัตถาว่าเป็นว่าผู้ขอน ะ, อะนี่แต่งขึ้นคำพวกนี้แต่งขึ้นทั้งหมดคำกลุ่มนี้ที่แต่งขึ้นเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพระไตปิฎกทั้งหมดนะจึงต้องมีการ แยกแยะออกมาไม่งั้นเวลาโยมอ่านพระไตรปิฎกไปโยมก็จะไปเจอคําที่แต่งขึ้นใหม่แล้วยมก็เอ๊ะกว่าจะลากไปเจอต้นคำมาเอ๊ะมีอยู่ในบทว่าที่ว่าหรือเปล่าหรือว่าดูก่อนพิสูจนหลายกว่าจะหาเจอก็เล่นซเสมอยล่นะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง <c oughs> จึงเป็นเหตุของการที่ เกิดการทาตรงนี้ขึ้นมาที่ท่านพุทธารมเพื่อดึงคำพระศาสดาออกมาอย่างเดียวเปิดไปปุ๊บเนี่ยบางใจไปเลยว่าพระพุทธเจ้าเราพูดอย่างนี้ <c oughs> แต่ช่วงชีวิตท่านทาได้แค่ห้าเล่มเราก็เลยมาทำต่อให้ครบทั้งพระไตรปิฎกได้ส3มสิบสามเล่มคือพุทธวจนะตรงนี้ทั น, นี้ข้อมูลในแผ่นนี้จะเป็น ข้อมูลทั้งของจริงของปลอมนะเรายังไม่ได้เอาโปรแกรมเนี่ยเข้าไปจับสแกนในในตัวพุทธวจนะล้วนทั้งหมดมันจะสแกนให้ทั้งอัตกถาและพุทธวจนะทั้งคําที่อยู่ในคําพวกกลุ่มบทว่าที่ว่ากับอยู่ในดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนะดูก่อนอุน์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนช่างไม้ดูก่อนจอมเทพวาเสตตาภารัตวาชะคําพระเจ้าจะมีการพูดชื่อก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อหา มันจะสแกนมาให้ทั้งสอ ง, สองกลุ่มดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะเอาอีกทีหนึ่งว่าคำที่เราหาเนี่ยเป็นผู้ธวัตนะมีอยู่ในพสูตรใดบ้างนะเดี๋ยวต่อไปจะอัปเกรดโปรแกรมนี้ขึ้นไปเรืนะ่อยๆเพราะเรามีคนที่เขียนโปรแกรมได้เองนะเขียนโปรแกรมนี้มาแล้วก็พัฒนาอยู่อย่างต่อนเนื่อง <c oughs> เราจะเช็คได้ทุกเรื่อง สิ่งที่ทำตามตา ม, ตามกันมาเช่นยงเคยกรวดน้ำไหมเคยแล้วก็คีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปดูว่าสัสดาเคยสอนไหมไหมในข้อมูลสองพันรอยปีไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระตบปิฎกฉบับบาลีสามรัฐนแล้วเขาก็จะมีคำเทียบเคียงใกล้เคียงให้ด้วยนะหรือคุณหมายถึงกรองน้ำสงน้ำแม่น้ำเล่นน้ำอาบน้ำนะอ อันนั้นกรวดน้ำไม่มีคำนี้พระเจ้าไม่เคยส อ, น น, อนนั้นไม่ทราบว่าเราได้รับการสืบทอดจากการแต่งเติมของใครซึ่งโยมก็ไม่สามารถหาได้ไม่รู้ว่าของใครแต่ที่แน่ๆในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกไม่มีคำนี้เคยได้ยินแปดหมสี่พันระธรรมขันธ์ไห <c oughs> เคยเราก็ขี่ 8 4ดหมื่นสี่พันพระธาารรมขันกดค้นหาไม่พบคำนี้ลองเปลี่ยนใหม่คีย์คำว่าแปดหมืนสี่พันลบพระธาารรมคันออกไหมเห็นไหมจะเจอแปดหมื่นสี่พันเยอะแยะแต่ไม่มีคำว่าแปดหมืนสี่พันพระธาารรมคันจะมีกษัตริย์แปด0มื่นสี่พันนะอ่า สำรับ 84,000 มหานคร 84,000 ประสาท 84,000 นะช้าง 84,000 ม้า 84,000 รถ 84,000 หญิง 84,000 เยอะแยะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคำสอนพระาศาสดาว่ามี 84,000 เนหะ็นเนี่ยตรวจเช็คง่ายๆตอนนี้ยัมไม่ต้องรู้บาลีอะไรหรอกนะไม่ต้องรู้มากนะอาตมา ก, ก็ไม่ได้รู้มากอะไร ก็ใช้เทียบเคียงข้อมูลหลักฐานปุ๊บเราก็จะรู้แค่ตรวจว่าคำเนี่ยผู้เจ้าเคยสอนไหมทั้งชีวิตไม่เคยเนี่ยเอาออกไปก่อนศา ส, สนาพูดคำสอนศาสดาเราจะได้บริสุทธิ์ขึ้นแค่นั้นเองเคยไปวัดนั่งสมาธิแล้วเคยถามเขาไหมว่านั่งสมาธิแล้วเป็นขั้นไหนขั้นไหนเคยได้ยินคำว่าคณิกาสมาธิม คัิกาสมาธิโยมเคยเคยอุปจารสมาธิเคยไหมเคยลองคีดูนะมีไหม <c oughs> ขันิกาสมาธิ <c oughs> กดก้นหาไม่พบเห็นนะเวลาโยมอ่านหนังสือสาวกเขาก็จะอธิบายว่าเนี่ยถ้าเธอนั่งสมาธิอย่างนี้อย่างนี้นะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าคณิกาสมาธิถ้าจิตมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ ศา ส, สดาไม่เคยสอนตกลงเริ่มสอนเองแล้วเจนนะสาวกเริ่มบัญญัติเองซึ่งคำพวกนี้ถูกแต่งเติมขึ้นมาประมาณพันกว่าปีแล้วสาวกยุคนี้ทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นคนคิดคำเหล่านี้ขึ้นมาเองจำเข้ามาเหมือนกันแต่จำมาผิดนะจำข้อมูลมาผิดโดยไปใช้หลักฐานข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นใหม่โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทราบหลักการว่าต้องคำภาษาศาสดาเท่านั้น เคยได้ยินคําว่ารูป่ประชานะรู่ประชานไหมเชื่อไหมว่าผู้เจ้าไม่เคยจัดทั้งชีวิตนะลูะ่ประชานะรู่ประชานใช้กันเยอะเลย น, นี่คือตารางที่เราหามารู่ประชานะลูปรชานเนี่ยนี่เทียบนี่ภาษาบาลีนี่ภาษาไทยนี่คอมพิวเตอร์มันหาเจอให้ตรงนี้ในภาษาไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหาเจอมีพรสูตรเดียวเท่านั้นที่เป็นคําพระศาสดา ค, คือดูก่อนอ น, อนตรงนี้แล้วเราก็เทียบเคียง ว่าตรงกับบาลีไหมโดยใช้เล่มข้อเดียวกันหน้าเดียวกันบรรทัดเดียวกันทุกอย่างเช็คคำหน้าคำหลังของคำว่าอรูปฌานอ่านลองไปดูดูว่าอยู่ในวลีคำพูดพระตถาคตรหรือเปล่าดูก่อนอนอนเห็นนะนี่คำพระพุทธเจ้าจะมีอยู่นี้ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุก้าวล่วงอาการสานันใจชนะโดยประการทั้งปวง บรลุวิญญาณอันใจเจตนะไล่มาจนกทั่งมีคำว่าอาลุบะชาญถ้าโยมเช็คในภาษาไทยโยมก็คิดว่าอ๋อคนี้ก็มีนี่นี่อยู่ในคำพูดพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่มีเราก็บอกเดี๋ยวใจเย็นกลับไปเช็คในภาษาบาลีก่อนเพราะเราแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยนะข้างหน้าคำว่าอาลุบะชาญสังเกตดูว่าจะมีคาว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ข้างหลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคไปดูภาษาบาลีบรรทัดเดียวกันเวตนาคตังสัญญาคาตังสังคารกตังบิญญาคกตังตรงใช่ไหมไม่เที่ยงอันนี้จะโตเป็นทุกข์ทุกขโตเป็นโรคโรคกโตเนี่ยบาลีกะไทยคล้ายๆกันเนี่ยตรงกลางเป็นอะไรไม่เหมารูปฌานใช้คำว่าเตธรรมเมไล่ดูทุกบรรทัดนะ อนันทะพิกุสัพพโสอากาสานัญจา ย, ยตนังไล่มาไล่มาวิลาโคนิโลโทไม่มีคำว่าลูประชานเลยแม้แต่คำเดียวสแกนในภาษาบาลีทั้งหมดทุกตำแหน่งไม่มีคำว่าลูประชานถูกแต่งขึ้นเนี่ <c oughs> ยเช็คง่ายๆอย่างเงี้ยเยวไม่ต้องเก่งบาลีอะไรมากหรอกดูแค่ว่าอักขละมันมีหรือเปล่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่งขึ้นใหม่ เพราะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยเราเลยไปเจอการถ่ายทอดบอกสอนที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เต็มค่อนประเทศเลยนะอาตมาเลยพยายามสอนอยู่ทุกวันนี้ให้พวกเราเนี่ยกลับมาใช้คำพระพุทธเจ้าอย่าไปใช้คำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่เพราะพระพุทธเจ้าผู้เดียวที่เป็นสัพพัญญูนะเก่งที่สุดในโลกในการบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่าง และสาวกทุกคนไม่ได้เป็นศาสดาเป็นแค่ผู้เดินตามเดินตามใครเดินตามพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนีหาหาได้อย่างไงหาได้ที่ไหนและอะไรคือพรุทธเจ้านะพรุทธเจ้าตรัสกับพระานลว่าอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงรับไปแล้วศา ส, สดาของพวกเราไม่มีอานน์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดี ที่เราแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราโยมต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระธรรมที่พูดออกมาจากปากของพระองค์ไม่ใช่ปากของคนอื่นปากของสาวกที่จําคําพูดพระเจ้ามามาพูดโดยไม่ผิดเพี้ยนนั่นคือคําพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําสาวกนะ คำสาหมายถึงเขาพูดขึ้นเองโดยไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้อูุประชาพูดขึ้นเองโดยไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าเพราะเราหาคำพพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วไม่มีอย่างนี้อันนี้เป็นคำสาวกเราก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดทั้งชีวิตทีมพระก็ไปหากันว่าเ้วตกลงพระพุทธเจ้าใช้คาว่าอะไรพระตะถาคตใช้คำว่ารูปปสัญญากับรูปปสัญญา ไอ้ที่พูดกันรูปประชานเนี่ยผู้เจ้าใช้คาว่ารูปประสัญญาซึ่งจริงๆแล้วมันตรงเพราะสมาธิทุกขั้นคือสัญญาสัญญาการสมาธิอันเกิดจากการเข้าไปหมายรู้ในรูปธปาตุเรียกรูปประสัญญาไม่ใช่รูปประชานอารูปประชานผู้เจ้าใช้คาว่าอารูปประสัญญาสมาธินะ อันเกิดจากการเข้าไปหมายรู้ในอรูปอย่างนี้นี่คือสองอย่างที่พระเจ้าใช้ไม่มีคําว่ารูปชาญอรูปชาญเห็นนะคานิกะอุปจารละปนาไม่มีสมาธิที่พระเจ้าตัดไว้มี9ระดับไม่ใช่มีแค่3ขั้นคณิกะอุปจารละปนาไม่ใช่ไม่กองแก้งขนาดนั้นนะมี9คํา ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานานจา ย, ยัตนะวิญญาณานจา ย, ยัตนะอากินจัญญา ย, ยัตนะเนวสัญญาณสัญญาจตนะสัญญาเวทยิตตันิโรด <c oughs> นี่แล้วชื่อเนี่ยไม่ได้พูดมาเล่นเล่นหรือได้กำหนดมาเล่นเล่นนะกำหนดอย่างมีความหมายทั้งหมด อย่างคำว่าชาญหรือชาณาเนี่ยนะให้สังเกตดูว่าจะใช้ในระดับสี่ตัวแรกเท่านั้นที่เหลือไม่มีนะเพราะฉะนั้นในหนังสือหลายๆเล่ม ที่ไปใส่คำว่าฌานเข้าไปในสมาธิระดับที่เป็นอรูปผิดหมดเพราะพระศาสดาไม่เคยใช้คำว่าฌานหรือฌานะในสมาธิระดับอรูปเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนะดูการพูดของผู้เจ้าไม่มีพลาดเป๊ะหมดอสี่ขั้นตอนนี้เป็นสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตซึ่งอาศัยรูปเช่นลมหายใจพระองค์จึงเรียกว่ารูปประสัญญาของสคันนี้ส่วนสมาธิที่เหลือเป็นนามธรรมอรูปนะพระองค์จึงเรียกว่าอารูปประสัญญาการเข้าไปหมายรู้ในอรูปแล้วเกิดความตั้งมั่นของจิตมา8ระดับนี้4ระดับต่อมานี้ส่วนสัญญาเวทิตก็คื อ, อเดี๋ยวนะเอาสี่ตัวนี้ต่อมาก่อน สี่ตัวนี้เนี่ยรูปปรสสัญญาจะถูกดับไปแล้วขันหถูกดับไปหนึ่งส่วนในสมาธิกั้น์ารูปเหลือสี่ขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพอมาสัญญาเวทิตนิโรธเห็นไหมชื่อสมาธิก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าดับอะไรไปได้บ้าง สมาธิระดับนี้จะดับสัญญากระดับเวทนาเวทยิตะก็คือเวทนาสัญญาเวทยิตะแล้วก็นิโรธคือดับนะสัญญาเวทนาดับเห็นไหมจึงบอกว่าชื่อสมาธิของพระเจ้าเป็นตัวบ่งบอกอาการของจิตนั้นๆไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นมาเล่นๆ น, นั้นสัญญาเวทที่นโลดก็ดับได้อีกสองการคือดับรูปได้แล้วในอรูปแล้วก็ดับสัญญาดับเวทนาเหลือ วิญญาณกับสังขารทำงานอยู่ด้วยกันสองตัวแค่นี้นี่สูงสุดของสมาธิซึ่งน้อยคนจะทำได้เห็นไหมว่าอันนี้เราก็าเช็คได้ทั้งหมดนะจากซีแผ่นนี้ให้เราลองไปใช้ดูนะสนุกนะใครชอบเล่นคอมพิวเตอร์ เราได้ความรู้และได้ความถูกต้องในศาสนาพุทธขึ้นมามีใครสงสัยอะไรมะใครต้องการตรวจกรรมไหนบ้างมะมแผ่นภัพนี้นะก็จะมีข้อมูลอยู่ในนี้อัตมาธรรมแผ่นภัพทา หนังสือทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีคำพูดของอาจารย์คึกฤะิศไม่มีมีแต่คำพระศาสดาเท่านั้นนะศาสดาสอนอะไรนะเราดึงออกมาเช่นสอนแก้กรรมยังไงเราก็จะรวมมาให้โยไม่ต้องไปวิ่งนอนในโรงเอาผ้าขาวคุมน้ำลดตัวไม่ต้องนะเสียเวลานะนั่นเขาคิดเขาเอง แก้ไม่ได้หรอกนะวิธีแก้กรรมที่พระเจ้าตรัสไว้คืออริยะอัดถังขีฆมักนี้นั่นเองคือกรร ม, มะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคือมักมีองแปดนะเท่านั้นอย่างเดียวทั้งชีวิตสอนแค่นี้มักแปเป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องอย่างอื่นไม่มีทําไม่ได้ใครรู้จริงเรื่องกรรมพระเจ้าบอกตถาคตรู้จริงเรื่องกรรมเดี๋ยวนี้คนรู้จริงมีเยอะไปหมดเลยนะ เออพวกสแกนกงสแกนกรรมกันทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครสแกนได้หรอกเยิมนะพุทธเจ้าบอกพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นดัดไว้ในมิขสาลาสูตรว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตพระพุทธเจ้าคนเดียวนะแล้วก็เตือนพระนอนุด้วยว่า อ, อนุ์เพราะเหตุ น, นั้นแหละพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล พราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ก็ย้ําอีกว่าตถาคตเท่านั้นนะหรือเก่งเท่าตถาคตเนี่ยแล้วผู้สแกนเนี่ยมันเก่งเท่าตถาคตรไหมเนี่ยแม่เรี่ก็ไปแย่งหน้าที่พระพุทธเจ้าซะแล้วนะอ่าเป็นพักนี้จะรวบรวมเหตุผลคําพระศาสดาที่ตรัสเอาไว้ ที่บ่งบอกความสําคัญว่าทําไมจะต้องมาศึกษาแต่คําพระตถาคตเท่านั้นนะพระพุทธเจ้ากําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตัดกับอคเวาสนาไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คําเดียวจําเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาด 2. คําของพระตถาคตเนี่ยนะตัดกับพิสุท์ทั้งหลาย จำเดิมนะนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพัฒนสอนสแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพระเจ้าสอดรับกันหมดขัดแย้งกันไม่ได้นะความสามารถอย่างที่3คําพระาศาสดาเป็นอากาลิกโก ถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาพูดหลุดเอาจากปากมาแล้วในใช้ได้ตลอดนะบัญญัติจีวรมาแล้วเนี่ ย, ย, ยที่พ่อโนนออกแบบแล้วรับรองให้เนี่ยสองพันกว่าปีไม่เคยต้องเปลี่ยนเห็นไหมอ่าไม่ต้องไปหาเสื้อผ้าใส่อะไรจีวรตัดเย็บอย่างเดียวแล้วมีรายละเอียดหมดนะลูกดุมลังดุมนะผ้าปิดลูกดุมผ้าปิดลังดุมและต้องลึกจากชายผ้าเข้าไปเจ็ดถึงแปดองค์คูรีมีรายละเอียดเยอะแยะในนี้ นะผ้าสี่เหลี่ยมธรรมดานี่นะและผ้าก็ต้องทํายังไงย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ได้จากแก่นไม้เปลือกไม้ลูกไม้ใบไม้ใช้ส่วนของต้นไม้นี่แหละเอามาย้อมถ้าต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีจีบอลพระก็ไม่เปลี่ยนสีสีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกนะแต่ถ้าใครไม่ได้ทําตามบัญญัติก็จะสีไม่เหมือนสีนี้ไม่ได้อัตมาไม่ได้อยากได้แต่ย้อมไปย้อมมามันออกสีนี้สีนี้ก็สีนี้ก็ใช้สีนี้ ทำตามกรรมวิธีภาษาสดาบัญญัติพอแล้วน ะ, ะเรียกว่าผ้ากาสาวะพัดผ้าที่ได้จากการย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แกนไม้ลูกไม้ใบไม้ได้หมดต้นไม้อะไรก็ได้ <c oughs> นะและผู้เจ้าก็เลยตรัสว่าสุตต่ตาตๆเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอน มีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตนต่าเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ต น, นควรศึกษาเล่าเรียนอย่าไปศึกษาเล่าเรียนนะในคำที่สาวกพูดขึ้นหรือคาที่คนแต่งขึ้นใหม่นะ ส่วนสุดต่งตางๆเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดต่งตางๆคือคําสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียน <c oughs> <c oughs> เห็นนะโอ้อวดตัวเองเกินไปไหมไม่พอ่อพระเจ้าคือสัพพัญญูผู้เดียวและพูดไม่มีข้อผิดพลาด และไม่มีสาวกที่เป็นพระรหลานองคใดกล้าประถวงกล้าขัดแย้งผู้เจ้ายอมทําตามหมดยอมเป็นสาวกโดยดีเห็นไหมเป็นพระหลานเหมือนกันน่ะต่างกันยังไงอ่ะผู้เจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้หลานตสมาสามพุถุเจ้ากับภิกษุผู้ปัญญาวิมุติให้เธอเป็นผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยนะเป็นพระหลานที่เลิศทางปัญญาก็ตาม เก่งไม่เท่าพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าหนึ่งเป็นมรคัญอยู่รู้มร์ ก, ก่อน 2. เป็นมรคควิถูรู้แจ้งในมร์กสเป็นมรคขกวิถูเป็นผู้ฉลาดในมร์กส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมั์คานุ ข, ขาผู้เดินตามเท่านั้นแค่เป็นผู้ฟังคําสอนเดินตามถึงที่หมายเห็นนะมีคําตอบหมดนะพระสูตรต่างๆเหล่านี้อยู่กระจาย ก, กระจายหลายที่อาตมารวบรวมไว้ให้แล้วในแผ่นพับนี้ เพื่อโยมจะได้มีเหตุมีผลอย่างต่อเนื่องที่จะโต้แย้งกับคนที่เป็นบริษัทที่เลิศศึกษาแต่คําตถาคตจะได้ชื่อว่าปฏิปุจฉาวินิตาปริสาโนโอุกาจิตวินิตานี่คือบริษัทที่เลิศนะปฏิปุจฉาวินิตาปริสาโนโอุกาจิตวินิตาก็คือสุดต่างๆที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เขาจะไม่ฟังไม่ไปศึกษาแต่คําตถาคต เขาจะฟังเขาจะศึกษาเห็นนะเราจะเป็นบริษัทที่เลือ่อเป็นพวกนี้แล้วก็เตือนอีกว่าในอนาคตการในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำต ถ, ถาคตเพราะฉะนั้นภิกษุทุกวันนี้ขาดความสนใจในคำพระศัสดาจึงไม่ยอมถ่ายทอดคำพระศัสดาให้แปลกไหมคำอาจารย์ตัวเองศาสดาตัวเองกลับไม่ถ่ายทอด โยมจึงไม่สามารถหานั่งสือแบบนี้ <c oughs> ในท้องตลาดได้เพราะไม่มีทั้งพระทั้งคลาวาดเห็นความสำคัญในคำสัสดาตัวเองถูกเก็บไว้ในตู้หมดเลยนะแล้วไม่ไปศึกษาด้วยก็เลยต้องมาปลุกญาติโยมให้ตื่นจากความหลับไหลสักหน่อยแล้วก็ปลุกพระด้วยน ะ, นะก็ไปสอนพระที่สุลินทร์เจ็ดร้อยองค์นะ ไปสอนพระที่บุรีลำ400องค์อันนี้ที่สุรินร700วัดป่าบ้านผือที่บุรีลำนะ่ะอีก400องค์วัดป่าเขากระเจียวนะน่ะนี่ไปที่โคราดถ้ำดาวเขาแก้วนะ่ะอีก400องค์อุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราเนี่ยอีก 3-400 ในถ้ำนะืม ก็ไม่รู้จักพุทธวจนะเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยต้องค่อยๆทำแล้วก็พระท่านก็เริ่มเข้าใจนะแล้วก็เข้ามาร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะนะมีหนึ่งร้อยวัดสี่สิบแปดจังหวัด ต, ต, ตอนนี้นะก็ <c oughs> อยู่ในรายชื่อตรงนี้นะอืมแล้วก็ พระจำนวนนี้ก็มียี่สิบหกวัดที่ได้มาฝึกที่วัดอัตมาแล้วคือจำนวนนี้ น, น, นี่ชุดแรกที่มาฝึกเราก็ฝึกใกล้ท่านซักย้อมจีวรเนี่ยอาจารย์สุจินหัวหน้าศูนย์ที่ดงทิกคกุรานก็ได้พาพระมาฝึกเราต้องสอนพระให้เป็นเครือข่ายพุทธวจนะ ต้องมาปลุกพ่าให้รู้จักคำสัสดาตัวเองให้กล้าประกาศคำสัสดาตัวเองไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็เป็นไปแล้วน ะ, ะแล้วเราก็แจกคอมพิวเตอร์โน้ตปุ๊กอย่างเนี้ยให้กับท่านทุกองค์เห็นนะมอย่างบาทเนี่ยมีสีดำบ้างสีเงาวาวาบ้างนะจีวรก็มีหลากสีต้องมาสอนท่านใหม่หมดนะว่าย้อมจีวรยังไงระบมบาทยังไงนะ บาทพระเจ้าให้ระบบด้วยความร้อนนะบาทอนุญาตบาทดินกับบาทเหล็กสองอย่างอย่างอื่นใช่ไม่ได้บาททองใช่ไม่ได้พระอุ้มบาททองไปบินทบาทเป็นไงอยูโอ้โหไม่ไหวนะแมเรายังไม่มีเลยมีหมดในคำพิจารณาพระเจ้าบัญญัติห้ามหมดบาทเงินบาททองบาทแก้วมณีไพฑูณนะจิปาธะอืม อยากสาธยายธรรมเราก็ทํามาให้สาธยายธรรมทุกวันนี้สวดบทอะไรการ น, นั่งสวดมนต์นะได้ตรวจไหมว่าเป็นพุทธวจนะหรือเปล่ายังไม่ได้ตรวจน ะ, ะพระศาสดาสวดอะไรรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยไม่รู้พระศาสดาสวดกฎอิทับปัจจิตาสวดปฏิจจสุบาท์วงรอบการเกิดวงรอบการดับ เหตุ S <S เกิดขึ้นของความตายและเหตุดับไปของความตายพระศ า, าสดาสวดตรงนี้อันนี้คือกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสีบรรทัดเองยอมไม่ยากยมไปนั่งสวดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยยาวกว่านี้อีกย่อมสวดตามพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมอ่าเราจะได้เดินตามสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ศาสดาเราเองนะสายปฏิจจสุบาทเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจนะเนี่ยไล่มานี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายว่าความตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะพบสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะเธอเข้าไปยึดคืออุปทาน เธอเขาไปยึดเพราะว่าเธออยากอยากมีเพราะเธอพอใจเธอพอใจเพราะเธอมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัม ผ, สมผัสมันมีได้เพราะมีเธอมีลูกตานะมีรูปมีหูมีเสียงอายนาภายใ น, ภา ย, ในภายนอกรวมเรียกว่าสลายนาะไอสลายนาทั้งหมดนี้ก็ทำมาจากนามลูกคือต้องมีตัวาธาตุก่อนเหมือนลูกตาเราก็ปั้นมาจากาธาตุดินน้าไฟลมนั่นเองนะเหมือนผลไม้ ใบไม้มันก็ดูซึมน้ําแล่ธาตุต่างๆธาตุดินน้ําไฟลมขึ้นไปเป็นผลนําไม้อ่อนแก่สุกนะเหมือนกันน้ํารูปต้องมีก่อนจึงมีสลายชนะขึ้นมาได้และน้ํารูปจะมีได้ก็เพราะมีวิ ญ, ญญาณเข้าไปรับรู้และทั้งหมดนี้มีเพราะว่าอาวิชชาคือเธอไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเธอของเธอเห็นนะเมื่อเธอเข้าไปยึดสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอเธอจึงต้องตายไปกับสิ่งเหล่านี้ความตายจึงมี จึงมีใครตายมีอะไรตายชรามรณะจึงปรากฏขึ้นแต่ถ้าเธอดับอวิชาได้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับมาเรื่อยๆเนี่ยจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชาสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับสลายนะดับผัสสะดับถ้าผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเวทนาจะมีได้ไหมไม่ได้ ถ้าเวทนาเช่นความพอใจไม่มีโดยประการทั้งปวงความอยากจะมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ถ้าความอยากหมดไปความยึดก็ไม่มียึดหมดไปพบไม่มีชาติก็ไม่มีถ้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่แตะตายจะไม่มีแน่นอนนี่คือลําดับขั้นของการดับไปแห่งความตายเห็นนะศาสนาสวดตรงนี้ยมสวด ต, ตรงนี้สินะอาตมาก็ทํามาให้หนังสือนี้ ทั้งหมดมีใน c ีดีแผ่นนี้ช่วยเล่นคอมพิวเตอร์กันหน่อยน ะ, ะคงจะเล่นเป็นกันทุกคนละมั้งนี่อแต่มายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะอะันนี้ก็ให้อวุโสมาร์คซึ่งท่านมีความชำนาญในเรื่องนี้พ่วงอยู่ด้วยตั้งแต่ก่อนเก่ามาบวชนะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ใช้ความรู้เก่าๆตรงนี้มาเพื่อประโยชน์ในทางพุทธศาสนานะ ถ้ามีใครสงสัยอะไรก็ซักถามได้นะเล่มนี้เป็นมัควิธีที่ง่ายอยากปฏิบัติง่ายหลุดพ้นไวอ่านเล่มนี้อยากดูจิตที่ถูกต้องหกสิาพระสูตรดูตรงนี้สำหรับผู้ใหม่ปฐมธรรมเล่มนี้อยากเป็นคารวาชันเลอรตรงนี้มีสี่ข้อเองหากินโดยเป็นธรรมไม่เครียดครัก หากินให้เป็นธรรมนะอย่าเครียดครับนะสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำนะหาอยู่หากินแล้วทำตัวเองให้เป็นสุขด้วยสามแบ่งปันพกทระ菩萨บาเพ็ญบุญสีไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกปริโภูมกทรัพย์ลเหล่านั้นยมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่มีด้วยปัญญาเห็นโทษของมันด้วยนะอย่าลุ่มหลงกับมันแล้วก็รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันด้วยคืออย่าเพลินกับมัน คอยลักความเปลือนเรื่อยๆโนะยมทําได้สีข้อนี้ผู้เจ้าจัดว่าเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกนะอยากจเจริญอาณาปานสติที่สอนเมื่อสักครู่นี้รวมมาให้แล้วสามสิบสองพสูตรในนีนะ้ทั้งชีวิตที่พระตถาคตตัดเอาไว้สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรม นะงานใหญ่แล้วบริกรรมกันเต็มไปหมดเลยค่อนประเทศใช่ไหมอพอไปตัวจริงๆผู้เจ้าไม่เคยสอนไม่เคยสอนเราก็โยนทิ้งไปนะไม่สืบต่อเพราะพระศาสด า, า, าเตือนว่า <c oughs> กับพระนนบอกความขาดศูนย์แห่งกรรยานวัตนนี้คือข้อวัดที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย อ น, นุนเกี่ยวกับกลยานวัฒนนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจากพากันประพฤติตามกลยานวัรนที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยขอให้ตั้งใจว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของท่านนะคําสอนของพระองค์จะค่อยๆหายไปอันตรธานหายไปเรื่อยๆที่พระองค์เปรียบด้วยกลองศึกของกษัตริย์ทศลหาหะ ที่บอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิสูุไม่สนใจคํา ต, ตาคฎนะและไปสนใจคําที่แต่งขึ้นใหม่เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศราหาชื่ อ, อนากาศนั้นมีอยู่กรองอนากาศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกแต่กษัตริย์ทศาห์ก็หาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นลิ่นตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้น ชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้เป็นความอันตรธานของคําของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจับมีได้ด้วยกันอย่างนี้นะผู้เจ้าบอกความเสื่อมความสูญหายไปของคําของพระองค์แล้วศา ส, สดาจะหายไปจากโลกนี่อย่างนี้นั่นเราต้องช่วยกันป้องกันแก้ไขทุกคนอยากรู้ความจริงแต่ทุกคนทุกวันนี้กําลังเป็น เหมือนมาคันธยะซึ่งตาบอดแต่กำเนิดนะผูเจ้าบอกมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนะมีคนลวงเขาด้วยผ้าขาวเนื้อดีบอกว่านี่นี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีนะมไม่มีคมเหลาไม่เปื้อนฝุ่นเลยเขาก็โอยรักผ้าขาวผืนนี้มากน ะ, อะเอามาห่มอยู่ตลอดจนวันหนึ่งมีหมอผ่าตัดแก้ไขาตาเขาได้ พอเข้ามาดูว่าโอ้โหไอ้ผ้าขาวที่บุรุษคนนั้นบอกมันเป็นผ้าเปื้อนขมเมาเปื้อนฝุ่นสกปรกโสโครกสิ้นดีนะอนั้นเขาแทบจะปรงชีวิตของบุรุษคนนั้นที่บอกเขาเลยนะอเหมือนกันตอนนี้เราคิดว่าสิ่งที่เรารู้มาคือศาสนาพุทธแต่มันไม่ใช่มันเป็นคําที่มนุษย์แต่งขึ้นมนุษย์ยุคหลังแต่งขึ้นนั้นก็เลยให้เราทราบว่าทุกวันนี้เราตรวจสอบได้มะ เมือ่อยาสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชํานาญมารักษาแพทย์พึงประกอบยาถ่ายโทษเบื้องบนถ่ายโทษเบื้องต่ํายาหยอดยาหยอดให้กัดนะ่ะเพราะสายเขากลับมีจักษุ ด, ดีลัความลักให้พอใจในผ้าเนื้อเร็วเปื้อนเข่าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจกักษุที่ดีเขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นข้าศึกหมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะปร่งชีวิตเสียด้วยความแก่นว่า ท่านผู้เจริญเอย๋ยเราถูกบุรุษผู้นี้คดโกงหลอกล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลวนะว่านี่ท่านผู้เจริญนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทิ น, นเป็นผ้าสะอาดมานานนักแล้วอุปมานี้ฉันใดนะมาคันธยะเหมือนกันเห็นไืมอันนี้ผู้เจ้าอุปมาเปรียบเหมือนขันห้า เป็นของเลวแต่เราคิดว่าขันธ์หเป็นของดีคือร่างกายเราสุภทุกุเบขาสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางแต่ณนะวันนี้เราคิดว่ามันเป็นของดีอยู่แต่ตะมายกมาเปรียบเทียบให้กับสิ่งที่เรารู้ณนะปัจจุบันเราคิดว่านี่คือาศาสนาพุทธแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำสอนพระาศาสดาก็เลยเอา ซีดีโปรแกรมตัวนี้มาให้เราเพื่อให้เราตรวจว่าศาสดาสอนจริงๆคืออะไรนะเราจะได้ไม่ไม่ห่มผ้าเนื้อเนื้อเร็วนะที่เปื้อนขมเหวเปื้อนฝุ่นนะนะมีใครสงสัยเรื่องอไรไหมเชิญซักถามได้ อันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งคู่มือพระโสดาบันนะตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองอย่างนี้สี่สิบกว่าในยะมีใครสงสัยอะไรไหมเชิญ่านหลวงพ่อบอกว่าไม่มีคำว่ากรวดน้ำบัญญัติไวค้ค่ะอย่างนี้เวลาเราใส่บาท ตักบาตเสร็จแล้วเนี่ย<า>เรายังต้องกรวดน้ําแบบที่มีน้ำเอ่อเทลงพื้นดินอย่างไรอยู่หรือเปล่าอะคะยมกวดน้ำเนี่ยยมทําเพื่ออะไรลดต้นไม้ให้งามเหรอหรือว่าอุทิศส่วน<ำ>บุญส่วนกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำไมยมลืมคํานี้ไปละไปใช้คําว่ากวดน้ําทําไมพระศาสดาสอนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งสําเร็จที่เจตนาไม่ได้สําเร็จที่น้ำแก้แก้วหน้าที่ยมคือ เตรียมจิตไม่ใช่เตรียบน้ํากับแก้วเข้าใจไหมมัวไปวิ่งเตรียมน้ํากับแก้วเลยลืมเตรียมจิตต้องเตรียมจิตให้ปราศจากอากุศลวิตกคือนิวรณ์หหรือการมพยาบาทเบียดเบียนสาความคิดนี้แล้วทําจิตประกอบมาด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสอสาสี่จะแผ่เมตตาแจวทิศบุญกุศลเตรียมจิตพระเจ้าบอกเรากล่าๆซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสําเร็จที่เจตนาไม่ได้สําเร็จที่น้ํากับแก้วไม่ต้องมีน้ํากับแก้วเลย ก็พุทธิบุญกุสลนได้ตกลงแล้วมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันนะอ่านั่นเดียวกันคำว่าผีในมีคำว่าผีไหมค่ะในในของพระพุทธว จ, จนะไหมคะอ่าลองคีย์คำว่าผีไปสิอือหาได้ทุกคำผีอ่ามีเหมือนกันนะนี่เนี่ยอ่า ลองดูชายผีนะชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาน่ะก็คือคนดีอยู่กับคนดีคนเลวอยู่กับคนเลวคนดีอยู่คนเลวปรับพลกันอย่างนี้น่ะอ่าผู้หญิงหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีนี่ผู้หญิงดีไปอยู่กับชายไม่ดีน่ะ หรือว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับชายผีเลวทั้งคู่นะเอหรือหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายเทวดานะอ่าดีทั้งคู่อืแต่คําบาลีไม่ได้ใช้คําว่าผีเนาะลองไปดูคําบาลีเราคลิกเดียวปุ๊บบาลีก็ขึ้นมาคู่กันเลยนะอ่ะอาเห็นไหมพุทธ <c oughs> เจ้าก็ไม่ได้ใช้คําว่าผีหรอก นะทุศินน ะ, ะนี่สามีทุศินภรรยามีศินนี่เห็นนะแต่ภาษาไทยไปใส่คำว่าผีเองน ะ, ะไม่เกี่ยวกันอีกพบภูมิต่างๆเนี่ยผู้เจ้าจะชี้ไปเลยว่าเปรตวิสัยสัตว์นรกอสุลกายยักษ์หน้าคนทันอสูรอะไรอย่างนี้บอกชื่อไปเลยไม่มีคำว่าผีนะ ผีมันเป็นคําภาษาไทยขอโทษครับมีคนส่งข้อความมาเขาบอกว่าคําว่าจิตที่แสดงกิริยาอ拉หันหมายความว่าอย่างไรมีหรือไม่จิตที่แสดงกิริยา阿拉หันเหรอโอ้คงไม่ใช่คําพระพุทธเจ้าละมั้งนะอือจิตที่หลุดพ้นก็เป็นพระลาหันนะอ่า เส่วนกริยาอาการของจิตของพระละหันก็เป็นอาการของจิตที่ไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นนี่ต้องพูดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะเพราะนั้นอาการกริยาการกระทาของพระละหันก็เป็นการกระทาที่เป็นธรรมชาติล้วนๆที่ไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านอยู่ในนั้นคือมันต้องแยกออกจากกันมันต้องแยกออกจาก กออกจ า, กกาันพระลราหันก็หลุดพ้นจากขันท่าแล้วไม่มีความยึดมั่นในขันท่าจิตท่านอยู่ในสภาวะวิมุตตินิพพานแล้วแต่ใช้ขันใช้ขันท่าตามเหตุปัจจัยน ะ, ะนั้นเมื่อขันท่าท่านยังไม่ตายท่านก็ใช้ขันท่าตามเหตุปัจจัยโดยการไม่เบียดเบียนให้เกิดประโยชน์เหมือนพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นแล้วก็ยังใช้ขันท่าบัญญัติธรรมบัญญัติวินยัยนะดูดาว่าพิสุ เธอเป็นคนเน่าในเปียกแื้มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอกพระชา่ามูนฝอยโอ้โหว่าเป็นชุดเลยโอ้โพระเจ้าก็มีกิเลสเยอะสิอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะในคําขนาบภิกษุโมเขาบุรุษใช้ไม่ได้เธอทําอย่างนี้ไม่สมควรนะการกระทําของเธอไม่ทําให้เกิดความเริ่มสายแก่คนที่ยังไม่เริ่มสายและไม่เริ่มสายยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มสายแล้วเราก็บรญยากาศทำวินัยออกไปอย่างนี้นะเห็นไหมผู้เจ้าหยิบ ขันห้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหมู่สง์เพื่อความผาสุกนะเพื่อข่มคนดื้อด้านนะแก้ไขยากนะเพื่อให้ศาสนาดำรงตั้งมั่นอยู่ได้นานอย่างนี้เนาะอขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งนะคะ อ, อ, อย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าเราให้ของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราให้เขาไปแล้วเขาก็บอกกลับเราว่า ทีหลังไม่ต้องให้นะเพราะ uh huh. ว่าเดี๋ยวจะเป็นนี่กันใช้ไม่หมดสักทีอ๋อคือไม่เขาจะมันจะเป็นนี่มันจริงเหรอคะต้องจะเป็นนี้จริงจริงเหรอคะไม่เห็นจะเป็นนี่อะไรใครเป็นคนบอกว่าถ้ารับแล้วจะเป็นนี่ <c oughs> เขาบัญญัติเอง <c oughs> นะ <c oughs> ผู้เจ้าบัญญัติผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอัมิตรชื่อว่าไม่ใช่มิตร เป็นการทำอันตรายต่อรากของปฏิคาหกคือผู้รับทานและตัวเองก็ขุดรากตัวเองด้วยนะผู้เจ้าไม่ให้ทำไม่ให้ไปห้ามเวลาคนจะให้ทานนะดูหลักพระศาสดาสิเขาพูดขัดกับหลักพระพุทธเจ้าใช่ไห ม, มแค่นั้นเองนั้นทุกคำถามเนี่ยในโลกทธานเนี่ยผู้เจ้าตอบไปหมดแล้ว น, ะนี่พระสูตรนี้นะวัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอา m i t ผู้ทำอันตรายต่อสิ่งสามสิ่งคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทายกคือผู้ให้เขากำลังจะได้บุญเขาก็ไม่ได้ทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกปฏิฆาหกคือผู้รับทานให้คนรับจะรับได้รับอยู่แล้วแม้ดันไม่ได้มีมารมาขวางอีกนะอืมนะและตัวเองก็ขุดลากกำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ววัชชะเอยผู้ที่ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งดังนี้แล พรงกตัดอีกว่าเราเองย่อมกล่าวว่าผู้ใดเทน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ำคลมหรือทางน้าโสโครกซึ่งสัตว์ซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการกระทำแม้เช่นนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันเห็นไห ยิ่งให้ทานแก่มนุษย์ได้กันยิ่งมีมากใหญ่เลยนะขนาดเทเศษน้ําล้างหม้อลงในน้ําโส โ, โครอย่างได้บุญเลยใช่ไหมแต่ต้องตั้งเจตนานะว่าเราเจตนาจะให้มันกินเป็นอาหารนะอืมอย่างเงี้ยพเข้าใจไหมแต่ว่าคือก็ไม่เข้าใจเจตนาของเขานะคะว่าก็เรื่องของเขาเขาจะคิดยังไงนั่นเรื่องของเขาบัญญัติเราไม่ได้ไปฟังเขา เขาไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องให้เราก็ไปให้คนอื่นแทนเนี่ยใช่ไหมไม่ยาก อ, อ่เชนอ่าเดี๋ยวลอใหม่ก็ได้นะอ่ามีคำถามกระดาษเหมือนกันอ่เชนอ๋อดิฉันสงสัยว่าสำหรับคนที่ล่วงรับไปแล้วอะค่ะ ถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่างนี้อออคนที่ร่วงรับไปแล้วท่านจะได้รับไหมคะแล้วมีวิธีการทํำยังไงที่ถูกต้องเจตนาไงพระเจ้าก็บอกแล้วเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสําเร็จที่เจตนาส่วนจะได้รับหรือไม่ใครจะไปตามรู้เนาะใครจะไปตรวจว่าบุญมันลอยปุ๊บเข้าไปนี้ปากของเขาเข้าไปในช่องจมูกอะไรอย่างเนี้ยใช่มคไหมเพราะว่าเห็นอย่าง คนที่บ้านอิชันะคะบรรยายพึ่งจากไปแล้วเขาก็ทําเป็นพิธีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เลยก็พิธีกรรมเหล่าเนี้ยใครบัญญัติแหละนะเกิดพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยทําแล้วเนี่ยคิดว่ามันได้เหรอนางพรามณีเขาก็มีพิธีเขาอย่างนั้นปริษาช่งทั้งหลายก็มีพิธีกรรมหมดอ่ะแล้วมันได้จริงหรือเปล่าอะตกลงแล้วเรา เชื่อใครใช่ไหมแล้วใครคือสัพพัญญูที่แท้จริงนั่นคือเรายังหวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าไม่เก่งจริงสงสัยปู่ทวดฉันคงเก่งกว่าแล้วก็ทําตามกันมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเนาะแล้วการกระทําใดเนี่ยการบูชาหรือพิธีกรรมใดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนิยม พิธีกรรมบางอย่างเนี่ยสัตว์ล้มตายเป็นนั้นมากใช่ไหมโยมเชือดไก่เชื่อดหมูล้มบัวนะอ่าอย่างนี้ดีไหมล่ะอะผู้เจ้าบอกว่าเพราะองค์ไม่ได้ตําหนิการบูชาไปเสียตะพืชนะการบูชาใดที่แพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อนรกําเนิดชานเปรวิสัย ะหลักการเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแค่นั้นเองคขออนุญาตค่ะเออเคยได้ยินคนพูดว่าสามีภรรยาที่ทําบุญไม่เสมอกันหรื อ, อ, อมีบุญไม่เท่ากันจะทําให้อยู่ด้วยกันไม่ยั่งยืนหรือมีเหตุให้ต้องแยกจากกันไปอือเนื่องจากภรรยาอาจจะชอบทําบุญแต่สามีไม่ทําบุญเลยหรืออะไรอย่างนี้ พระอาจารย์มีคำชี้แจงหรือแนะนำไหมคะว่าพระศาสดามีคำชี้แจงอาตมาไม่มีหรอก <c oughs> <c oughs> พระตถาคตจัดไว้ว่าการที่สามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวทั้งในชาตินี้และชาติหน้าด้วยนะ <c oughs> ด้วยเหตุปัจจัยสี่อย่างนสนใจไหมน่าสนใจหนึ่งศรัทธาเสมอกั น, น ไม่ใช่ฉันไปวัดนี้คนทรงเจ้าเข้าปีเอภรรยาก็าไปนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิโอมไปคนละทางแล้วนะเชื่อคนละอย่างศรัทธาเสมอกันสองจาระค่าเสมอกันการเสียสละเสมอกันนะสามศีลเสมอกันนะเอารักษาศี 5, ลหน้าเราก็ศีลหน้านะสี่ปัญญาเสมอกันนะเห็นความไม่เที่ยงการเกิดกันดับเป็นอริสัต นะถ้าสี่อย่างนี้เสมอกันอยู่ได้ยืดแน่นอนทั้งพบตีและภพหน้าด้วยนะแต่ถ้าเบื่อแล้วว่าอย่าทำให้สี่อย่างเสมอกนรนะเราทำให้เยอะไปเท่นะนะาไหร่เจอกันชาติเดียวพอนักธรรมาสตรอาจารย์เล้วคะ่ะ อ, อยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าเคยบัญญัติพระให้ทำวัดหรือเปล่าคะทำวัดของโยมคือที่สวดมนต์นเป็นชัวงงช่วโมงชั่วโมงเนี่ยอ๋อไม่เคยไม่เคยแล้วตอนสมัยพุทธกาลนะพระต้องมานั่งสวดมนต์แบบนี้หรือเปล่าพระเขาพระพุทธเจ้าบัญญัติการสาธยายธรรมใครจะสาธยายเมื่อไรก็ได้แต่ผู้พุทธเจ้าบอกว่า เธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเ่าเรียนหรือการสาธยายเดี๋ยวจะเป็นผู้มากด้วยปริยัตเป็นผู้มากด้วยการสวดเธอต้องเป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมมนุั้นสังคมพุทธาเป็นสังคมที่สงบนะหลังฉันแล้วเนี่ยให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี <c oughs> ถึงเวลานอนเลยหลังจากฉันเช้าเดินสลับนั่งไปเรื่อย ยามสองให้นอนสี่ทุ่มนอนตีสองตื่นตื่นแล้วให้ทำอะไรก็ไม่ได้สั่งให้มาทำวัดเช้าก่อนนอนกม่ได้ทำวัดเย็นไม่มีนะทุกวันนี้มาบัญญัติกันเองเห็นนะโอ้บัญญัติกันไปกันค้อนประเทศเลยเห็นนะนั่งทำกันเต็มเลยเตื่นมาแล้วพระองค์ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเชา้านะยืนยันในพระสูตรนี้เห็นนะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวระนียธรรมด้วยการเดินจงกรมและนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งาราตรีนอนอย่างราชสีตะแคงขวาเท้าเหลื่มเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น ครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวระนิยธรรมด้วยการเดินจงกลมและนั่งอีกอย่างนี้แหละชื่อว่าพิสุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นไหนทำวัดเช้าเย็นมีมะไม่มีหน้าที่พิสุตลอดย4บสี่ชั่วโมงทำอย่างนี้นี่คือสุดยอดแล้วนะชาคลยานุโยคมีคาถามุเจ้าค่ะคือวิปัสสนากรรมฐานมันคืออย่างเดียวกันไหคะ คนละเรื่องอีกกรรมฐานเนี่ยโยนคำนี้ทิ้งไปได้เลยเป็นคำพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาใช้กันทั่วประเทศอีเ่เหมือนกันเห็นนะอุอโสมานี่ท่านไปเช็คมาเราต้องดูคำว่ากรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าฐานะแห่งการงานนี่ มีไหมคํานี้กรรมฐานนังเห็นนะคอมพิวเตอร์หาให้เจอ ม, มีพระสูตรเดียวเองนะมานาวะกรรมฐานนังเห็นนะเป็นคําพระเจ้าดูก่อนมานพ์นะมหัาถังมหากิด จ, จังมหาธิกรารนัง่ลองไปดูภาษาไทยดูก่อนมานพเห็นนะมานาวะกรรมฐานคือฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจตัง้งมีอธิกรมากและการงานอะไรการไถยการค้าการขายเห็นนะ เป็นเรื่องการงานของคาวาะไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาและคำว่าวิปัสสนากรรมฐานไปหาดูแล้วทั้งพุทธวจนะไม่มีทั้งชีวิตพุทธเจ้าไม่เคยพูดคำนี้ไว้เห็นนะเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบผิดว่าวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันไหมอา้าวไปเปรียบเทียบกับคำที่พุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยเห็นนะเอเรามีคำที่แต่งขึ้นใหม่มาพูดบัญญัติเพิ่ม น, นะ ซึ่งพผู้เจ้าสั่งภิกษุว่าไงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเห็นนะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วอืมจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นนะเราบัญญัติคณิกะอุปจาร ะ, ราะปนาบัญญัติกรรมฐานจริงๆแล้วผู้เจ้าบัญญัติ สมถะกับวิปัสนาสองอย่างยมจำคำนี้ไว้สมถะวิปัสนาเป็นชื่อแทนมรรคมีองแปดแค่นั้นเองสมถะคือจิตนิ่งมีอารมันเดียววิปัสนาคือเห็นการเกิดดับคือปัญญาที่เห็นเกิดดับจบแล้วแค่นี้นะเข้าใจไหมไม่มีกรรมาฐานยนทิ้งไปนะ อ, อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปล่อย ป, ปล่อยสัตว์เพราะว่าจะได้รับฟอร์เวิร์ดเทางอินเทอร์เน็ตอยู่เรื่อย เ, อเกี่ยวกับว่าการปล่อยปลาไหลบางทีหรือจะเป็นหอย ห, อยหรือเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีความตั้งใจให้ปล่อยแต่มันอาจจะตายซึ่งกลายเป็นบาปมากกว่าที่จะทําบุญอันนี้คือไม่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับ ม, ม, ม, มันทําไมล่ะใครจับมาคนนั้นก็ปล่อยไปซะเลยโงไปปล่อยแทนเขาทาไมอยเจ๊ <S <S มั้ย อย่างไปวัดเราเราเพื่อที่จะปล่อยชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมอยากจะให้ชีวิตเหรอค่ะคือปล่อยลงน้ำวิธีให้ชีวิตผู้้ายทำยังไงรู้ไหมให้รกหักษาสินให้ดีมหาทานชั้นเลิศสินห้าเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศง่ายกว่าไปนั่งซื้อเต่าซื้อปลามาปล่อยอีกยมรู้จักมหาทานชั้นเลิศผู้ชายบอกเนี่ยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเลย นะไม่งั้นสัตว์จะต้องมาล้มตายเพราะโยมเนี่ยไม่รักษาศีลใช่ไหมเป็นอภัยทานอเวลทานอพยญาปชาทานเป็นอภัยทานทานคือการให้ภัยการไม่มีเวรการไม่เบียดเบียนกันศีลนะห้าทั้งห้าข้อนเนี่ยพระตถาคตบอกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมไม่ต้องไปวิ่งให้ทานที่ไหนหรอกรักษาศีลห้าคือ ส, สุดยอดแล้วเห็นไหม พอโยมรู้คำพระสัจจานเี่ยหมูเลยใช่เอมไม่ต้องไปวิ่งหาปล่อยอะไรที่ไหนรักษาศีลให้ดอีอย่างนี้ไม่มีคนจับสัตว์มาให้โยมปล่อยโยมก็ไม่ได้ให้ทานนะสิใช่ไหแย่เลยข้างหลังสุดเลยโอ้ไกลลิบนะสองท่านน ะ, ะ, ะเดี๋ยวไมลอยกำลังลอยไปแล้ว ได้ความเมตตาจากยัดโยมข อ, ขอถามนิดนึงว่าถ้าเราถือศีลห้านะคะแต่บังเอิญว่าปลวกขึ้นบ้านเราอะค่ะแล้วเราก็ต้องไปจ้างคนมากำจัดปลวกนี่ถือว่าบาปไหมถ้าบาปนี่เราควรจะทำยังไงบ้างนะคะนั่งสมาธิเยอะๆโยมฆ่าสัตว์มีชีวิตมาแล้วเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านชาติไม่ได้มาฆ่าชาตินี้ชาติเดียวหรอก นะถ้าทำไปแล้วก็ทำสมาธิเยอะๆมักมีองค์แปเป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องดับกรรมทั้งหมดได้เลยนะออกจากระบบของกรรมถ้ายังไม่ฆ่าก็ยังไม่ต้องไปทำมันหรอกนะหรือมีวิธีแจ้งเตือนมันก่อนนะอบอกมันไปซะเอาน้ำไปลดก็ได้น้ำใส่น้ำเกลือก็ได้มันไม่ชอบน้ำเค็มเนี่ยปลวกมันต้องกินน้ำจืดนะาหาวิธีก่อนมีวิธีเยอะะ ทางขึ้นทางลงมันเนี่ยแค่ยมปิดทางขึ้นทางลงมันนะปูกมันหายไปเองเลยเดี๋ยวมันหาทางหนีไปเองอ่ะนะอาตมาเคยเนี่ยที่วัดก็มันขึ้นเต็มแผงหลังคาเลยแล้วก็หาเอ๊ะมันก็ปูนหมดนะมันขึ้นตรงไหนอ๋อมันมาขึ้นตรงบงกบประตูนะเราก็เคียวเคีเคี่ยวเอาน้ำไล่มันก่อนแล้วก็ยาฉีดฟุ๊กกันมันห้ามผ่านอืมเขตดทหารห้ามเข้า นะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งปล่อยไปสองสามวันโยมทั้งหลังคาปูกหายหมดเลยไม่รู้มันลงไปที่ไหนเมื่อไรไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนะแค่นี้เองอะ่ะเดี๋ยวมันหาทางหนีมันเองอ่ะเนาะข้างหลังว่าไงเนาะเชิญโอเคอาวุโสมัส้ยไม่หมดไม่มีใหม่ไหมมีใหม่อีกตัวมั้ยเอาตัวนี้ก็ได้ Yeah, my, my question. I've done a lot of reading on Buddhism, and I would like to know what your feelings are for the other s teaching, the other schools like Vajrayana, and Tibetan Buddhism, um, Zen, different different schools o t h e r than Theravada. What, where do they fit? Are, are they acceptable? Those teachings. <laughs> อย่างไรเกี่ยวกับหลักคำสอนของทางที่เบตก็ดีหรือว่าทางเซนก็ดีหรือที่อื่นที่ที่บอกว่าเป็นศาสนาพุทธครับอาจารย์อ๋อเขายังไม่ตรงต่อพุทธวจนะเต็มที่เป็นคำของสามวกเหมือนกันเป็นคำที่เขาพูดเองอะนะเนี่ยนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเขาต้องเป็นคำพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะโครงการนะครับพระอาจารย์คริสท์ has answered the question entire and I will answer Translate t in English as as best as possible. So regarding your question, um, these uh, schools of Buddhism, they are supposed to be uh, following the direct words of the Buddha, but the Zen or um, the Tibetan Buddhism, they're not actually uh, following the direct teaching of the of the Buddha. So in a way, Buddhism is uh, comes from the u n c a r i n g of the truth that was uh, discovered by the Buddha, and we should listen to what he actually teaches, not what his di disciples are teaching. Now, I think I understand what you're saying. So, like in Mahayana Buddhism, they have, as you said, the first book is the way is what Buddha spoke, and the teaching from directly from Buddha. But if you go to the second book or the third book, Mahayana, Vajrayana, Tibetan Buddhism, then it's different teaching. It's not direct from the Buddha. In Theravada, I understand the Theravada Buddhist teaching of the elders, the teaching of the elder, the original teaching from the Lord Buddha. And and what is your question? So the question is then, or for clarification, that the teachings of Theravada. Buddhism is the teaching of the elders, and that is considered to be the teaching directly from Buddha. Correct? Ah, ขาอถามว่าในสายของเทรวาณเนี่ยเป็นคําสอนที่ถ่ายทอดลงมาจากคําของสาวกที่ทรงจําของพระุูปเจ้ามาถูกต้องหรือไม่ครับอาจารย์ครับอ๋อจริงจเทรวาณเทรวาณก็ไม่มีมหายานก็ไม่มีหรอก คำสอนผู้เจ้ามีแต่ธรรมะกับวิ น, นัยพวกนี้มาตั้งชื่อขึ้นทั้งนั้นนะ่ะมันอยู่ที่ใครเนี่ยใช้คําพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าใช้คํำผู้เจ้าก็คืออันนั้นตรงๆนะแล้วที่เราถ่ายทอดกันมาเนี่ยก็คือถ่ายทอดคําพระพุทธเจ้านะเพราะเราไม่ได้ถือคําสาวกแต่หลักการของมหายานเขาถือคําสาวกเขาว่าสาวกเขาถูกอ่ะเขาไม่ได้ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกร้อยเปอาว่าสาวกเขาก็ถูกเหมือนกันอย่างเนี้ยเขาก็ศรัทธาผู้เจ้าได้แต่เขาศรัทธาสาวกด้วย แต่เขาไม่รู้ว่าขีดจำกันของสาวกเนี่ยคุณทำได้ไม่เก่งเท่าผู้เจ้าอะไรบ้างอย่างนี้นี่ก็เลยเป็นปัญหาทำให้มันแตกนิกายออกไปเยอะแยะไปหมดนะอย่างญี่ปุ่นก็200กว่านิกายเพราะถ้าถือคำพระศาสดาอันเดียวกันเหมือนกันจะไม่มีความต่างกันเลยจะเหมือนกันหมด So actually there should be no schools there shouldn't be any separation of different schools of Buddhism because uh, the words of the Buddha That comes out of his uh, uh, teaching is only Tama and Vinaya. Tama is the t r u t h about nature, and Vinaya is the code of conduct. So what the Buddha has taught for the 45 years is Tama and Vinaya. And if we only listen to what he's taught, Tama and Vinaya only, only that, there will be no Mahaya, Mahayana, there will be no um, Zen, there will be no Tibet. There are different types of sects because um, people start to listen to their disciples, to their teachings, their commentary, and they are not understanding that the the disciples should only uh, proclaim only the words of the Buddha, only that. Then, if we understand that um, we should only listen to the words, the, the direct teaching of the Buddha that has been memorized and, and passed on for the generations. Then there will be no separation in Buddhism. There will only be one, which is to follow the the direct word of of his teaching only. And and his teachings can be um, investigated and compared and and explored and and and they are, can be cross-checked and there are many ways to check his teaching because he uh, he spoke in different places. And at diff different places, that you can uh, compare them, and then if they are synchronized and if they are um, following each other directly, then you can understand and you can be sure that his, that is his teaching. But if uh, his teachings are, appear to be in contradiction, appears to be contradictory, then you can know that one of them is wrong, because one of the Buddha's ability is that he himself say that uh, his teachings are never in contradictions. From that moment that he uh, has attained enlightenment to the moment of his death, his words are always in synchronization. They are never in contradiction, and that is his ability that can never be, never be matched by his disciples. ก็ได้อธิบายไปว่าพระพุทธเจ้าได้ได้ พิจารว่าคำของพระองค์นั้นถูกต้องตรงจริงไม่จำกับแต่ละทีที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยไม่ไม่เคยมีการขัดแย้งกันซึ่งเราใช้ในการตรวจสอบคำพุทธเจ้าได้เดี๋ยวก็มีเพิ่มเติมไหมอยาก I agree and thank you very much thank you for the clarification เราก็เห็นด้วยครับที่ที่ลองขึ้นเว็บให้เข้าดูก็ได้วิธีในการเสิร์ชที่เรากำลังจะทำเว็บ So, u um, a maybe website, website, that w i search and give example. So we are uh, developing developing a website in which you can check uh, check whether what you've heard, whatever you've heard, is that the the, te the teachings of the Buddha or not. We are developing this website. Let's say you, you want to check what ana panasti or the mindfulness of your breath. You can key in in here, and then they can check it for you. Whether if it's the direct teaching of the Buddha or not. So here you can key uh, the word that you you want to find out. Whatever whatever word that you you think is this what the Buddha has taught or not. Then you can just key in here, and then you Then there will be other results. You can search, and then you can compare. We are developing this uh, this website, and there are people who w r e writing this program, so you can uh, be sure what that you what you've heard is uh, is his teaching or not. Very good. Thank you. Thank you. Call God. กับเรียนถามหลวงพ่อนะคะเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อได้พูดถึงได้พูดถึงในเรื่องของวิปัสสนากับ <c oughs> <c oughs> วิปัสสนากั บ, กบสมถะสมถะ ค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองอย่างนี้ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจอีกสักนิดนึงแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิจจสมุ ป, ปบาทอย่างไรและอีกข้อหนึ่งก็คือมาร์กมีองค์แปดขอให้หลวงพ่อช่วยสรุปให้ฟังหน่อยค่ะขอบคุณค่ะสมถาก็คือ จิตนิ่งมีอารมอันเดียววิปัสสนาก็คือเห็นการเกิดการดับเป็นปัญญานะ <c oughs> อะไรมีขึ้นอะไรดับไปการเห็นการเกิดการดับเนี่ยก็คือตัวปฏิจจสมุบาท น, นั่นเองนะปฏิจจสุบาทคือเห็นสมุทัยกับเห็นนิโรธเกิดกระดับนะเพราะนั้นโยมเห็นเกิดดับก็เท่ากับโยมเห็นปฏิจจสุบาท กฎอิทับปัจจยตางอเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะเห็นการเกิดการดับสมุทัยกับนิโรธอริยสัตสีเนี่ยสมุทัยเนี่ยโดยละเอียดคือพระเจ้าจะใส่สายปฏิจจสมุบาทวงรอบเกิดเข้าไปนิโรธจะใส่ปฏิจจสุบาทวงรอบดับเข้าไป <c oughs> แค่นั้นเองนะและตัวมรรคมีองค์แดก็คือตัวหนทาง เข้าไปสู่ความดับทุกข์นะวิธีการที่เราเข้าไปสังเกตเห็นปฏิจจสุบานเนี่ยคือมรรคแดละมรรคดพูดย่อสั้นๆก็เหลือสองคือสมถะกับวิปัสนาจิตนิ่งเห็นเกิดดับแค่นี้เองถ้าพูดเหลือสามก็คือศีลสมาธิปัญญาพูดให้เต็มแดก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดดับเห็นอริสัตถีสัมมาสังกปะ คิดถูกต้องคือทิ้งความคิดกรรมปฏิบัติเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเพื่เ อ, อเชิดส่อเสียดยิบเอาไปทําได้เลยมักนี้ไม่ต้องลังเลสงสยัยลงไปภาคการปฏิบัติได้เลยยอมไม่พูดโกหกคำหยาเพื่เ อ, อเชิดส่อเสียดใช้ได้แล้วนะสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนะสินห้าสามข้อแรกนั่นเองสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพด้วยการไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะนะ เพียรที่จะละอกุศลเพียรสร้างกุศลขึ้นมานะสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ตั้งการละลึกได้ไว้ในกายเวทนาจิตธรรมละลึกได้ถึงกายละลึกได้ถึงเวทนานเป็นอุเบกขาละลึกได้ถึงจิตผู้รู้ละลึกได้ถึงธรรมคือความไม่เที่ยงจังกลายดบไม่เหลือสลัดคืนสัมมาส ม, มาธิคือการเข้าฌานหนึ่งสองสที่บอกเมื่อกี้นี้ไม่มีคันกกะวิาจารณปรนาเข้าฌานหนึ่งสองสาฌานหนึ่งคือลายอกุศลดับ แค่ยมรู้ลมหายใจแล้วไม่มีอกุิสนนั่นคือชานหนึ่งแล้วแค่นี้เองนะคืออีกข้อหนึ่งนะคะหนูขอรบกวนนิดนึงคือถ้าเผื่อว่าเรานะใส่บาตรกับพ้าปอมพระปอมที่หนูพูดหมายความว่าคนธรรมดาที่ห่มจีวรเหมือนพระเนี่ยคะ่ะหนูได้บุญไหมหรือมันจะเปรียบเส ม, มือนกับที่หนูทำทาน แสดงว่าพระศาสดาตัดมกีจโยมไม่ทําในใจให้แยบคายผู้เจ้าบอกเทเสดน้ําล้างหม้อลงในน้ําโสโครกก็ยังหวังสัตว์เล็กๆได้ ก, ก, กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญแล้วผู้เจ้าก็บอกฉันไหนเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันพระ ป, ปอมเป็นมนุษย์ไหมละ่ะเป็นไม่ได้บอกในเป็นมนุษย์ดีมนุษย์เหลวมนุษย์นะ่ะโยมทํากับมนุษย์นะ่ะได้ได้มากกว่าสัตว์อีกนะแต่ผลกระทบมีไหมผู้เจ้าบอกมีน่ะ สงที่ไม่ดีเกิดเป็นสงจริงแต่เป็นสงทุศินสงทุศินก็จเจริญเติบโตงอกงามศาสนาจะเสื่อมส่วนพระปลอมก็จะทําศาสนาเสื่อมเหมือนกันหรือว่าทําความเดือดร้อนให้ให้โยมต่อมาอีกนะแต่อันนี้สงโยมได้แต่ผลกระทบตามมามีโยมก็แลกเอาสิอพเข้าใจไห ม, อมขอถามนะคะว่ า, าสามีภรรยากันถ้า ภรยาเป็นชาวพุทธสามีเป็นชาวคริสต์แต่ว่าคือไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเราชอบทำบุญทางพุทธศาสนาสามีชอบทำบุญในทางคริสต์อยากสอบถามว่าถ้าเราทำบุญร่วมกันเนี่ยอย่างเวลาหนูสวดมนต์สามีแตะตัวเราได้บุญเท่ากันหรือเปล่าคะเราสวดมนต์เข้ามาแตะตัวค่ะคือหนูบอกให้เขาร่วมสวดมนต์ไปด้วยกั น, นจะนสื่ออะไรกันได้เนาะ การสาธยายธรรมไม่ใช่มานั่งแตะกันเป็นท่อดๆยาวๆนี้นะผู้เจ้าบอกหนึ่งต้องสาธยายคําพระสสดาสองต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นเข้าเข้าใจในสิ่งที่เราสวดมไหมละ่ะไม่ได้สวดเอาขลังสวดเอาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามโยมสวดปานาติปาตาเวรมณีแล้วยังฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเขาก็นั่งสวดตามโยมแต่เขาฆ่าสัตว์เขารักทรัพย์เข้าประพฤติผิดในการมตลอดแล้วเขาได้อะไรอะ่ะมันจะได้ได้ยังไง แล้วในกรณีที่ทั้งสองคนก็ชอบทําบุญอย่างเขาทําบุญในด้านศาสนาของเขาเราทําบุญในด้านศาสนาของเราอย่างนี้น uh huh. ค่ะแต่ว่าเวลาอย่างหนูชอบไปวัดเขาไปด้วยอย่างนี้ได้เกิดผลบุญอะไรบ้างหรือเปล่าแต่าถามว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าผมไม่คิดว่าไม่เขาไม่น่าจะเข้าใจถึงขนาดนั้นเขาไม่เข้าใจอะไรเขาไม่เข้าใจการให้เหรออ่าทางนั้นเขาให้ได้ไมันล่ะ เขาเข้าใจทางนั้นค่ะแต่ว่าเวลาอย่างสวดมนต์อย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจว่าเราพูดว่าอะไรเราสวดว่าอะไรเขาก็จะสวดในทาง<ร>าของเราเองเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะเราก็มั่วเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องมั่วแน่นอนใช่ไหมเพราะหนึ่งเราก็ไม่ได้สวดคําพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้สวดแปลไม่เกิดความเข้าใจผิดหลักการที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้ว่าต้องสวดคำพระพุเจ้าต้องเข้าใจต้องเกิดปิติจากความเข้าใจนั้นเกิดความสุขจิตตั้งมัน่น นี่เป็นไปเพื่อวิมุตต์อย่างนี้หลักการผิดตั้งแต่ชาวพูดชาวคิดผิดกันทั้งคู่เลยตาบอดจุงตาบอดนี่พระเจ้าบอกอย่างนี้หลงทางทั้งคู่ <c oughs> สิ่งที่เขาได้เขาให้ทานน่ะเขาสละมีความละความตนีไหมละ่ะเขาได้ตรงนั้นคือละความตนีแต่คนที่ให้เนี่ยเป็นใครละ่ะเป็นทักษิณย่าบุคคลไหมบุคคลผู้สมควรว่ารับทานไหมหรือเป็นสัตว์หรือเป็นคน คนดีคนไม่ดีมนุษย์เป็นโจรหรือเปล่าหรือมนุษย์มีศีลมีศีลเป็นอริบุคุณหรือเปล่าศีลดีไหมเบียดเบียนไหมทําบุญเสียสละให้กับคนที่ศีลดีไม่ทําการเบียดเบียนนั่นแ่ะอันนี้สงฆ์มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วอยู่ที่การเสียสละการให้เขาได้ละความตนหนีไหมหรือว่าไม่ได้ละเลยเออแฟนบอกให้ทําก็ทาําไปช่างหัวมันอย่างนี้ นี่เขาไม่ได้ละความตนีนะแต่ถ้าเขารู้สึกว่า เ, เขาอยากให้อะเขาอยากเสียสละเนะี่ยนี่ของของเราแล้วอยากเสียสละแบ่งปันอย่างเนี้ยใจเขามีอย่างนี้ไหมละ่ะมีก็ได้ใช่ไหมจะให้กับใครก็ได้หมดอันนี้สรงนี้เ น, นี่ยพระเจ้าศาสดาบัญญัติหลักการไปหมดแล้วยมจะเข้าใจถึงหลักการการให้ทานทั้งหมดเลย แล้วใครถามมาแง่มุมไหนโยมก็วิเคราะห์ได้ภายใต้หลักการที่ศาสดาบัญญัตินะต่อเข้าใจไห ม, อมขอเรียนถามค่ะเมื่อสักครู่ฟังไม่ถนัดค่ะเวลาที่นั่งสมาธิตามลมหายใจเนี่ยจะมีบางครั้งเนี่ยรู้สึกหายใจไม่ออกหายใจเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้เป็นอึอักอยู่ข้างในอะค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรตั้งใจเกินไปเลยทีอึดอัดบีบนกน ก, นกมันจะตายเนี่ย ผู้ชาบอกจับนกด้วยมือเนี่ยบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือจับพอดีพอดีทำแรกๆก็ตั้งใจเกินออกแข้งขาดเลยนั่งคูพลังตั้งกายตรงเข้งเครียดเสีเลยตายก่อนพอดีตายตายยังไม่ทันได้ชานเชิญอะไรล่ะนะเออโยมจะตายก่อนบ่อยสบายๆแต่มานั่งเล่นสบายๆเอาใจมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนั้นเวลาโยมนั่งเล่นเนี่ยโยมเอาใจมารู้ลมบ้างสิแอบแอมารู้บ้าง แล้วมีอาการปวดศีรษะจริงๆด้วยนะคะมะเป็นอัตมาเป็นเจ็บหน้าอกปวดหัวเป็นมว น, นอะเจริณาปาแล้วยังงี้ควรคือหยุดพักไว้ก่อนแล้วแล้วก็หลังจากนี้นค่อยมาทําใหม่เหรอคะฝึกทําไปเรื่อยๆหาจังหวะเผลอเผลอว่างๆอะนั่งเอาใจแอะมารู้ลมหายใจเวลาร่างกายสบายๆเพราะถึงโยมจะไม่ไม่จเจริญณาปาโยมก็หายใจอยู่หรือไม่หายใจ หายใจเนอะลมหายใจมีตลอดแต่ใจมันไม่อยู่กับลมใจมันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้พอใจมาอยู่กับลมเอาเลยต้อเข้าออกลึกเอาลึกสั้นยาวโอ้เอาล ะ, ะเหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยกันทั้งนั้นแหล ะ, ะยังหาความพอดีไม่ได้นค่อยๆทําไปแล้วถ้าโยมทําได้นะสุดยอดเลยอนาปามีอันนี้ส่งมาผู้เจ้าถึงสรรเสริญไม่มากนะลองพยายามทำหน่อย ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมจากข้อเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลวงพ่อเนื่องจากว่ารายละเอียดมีเยอะมา ก, กเราก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจลึกซึง้งก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะสามารถประยุกใช้สมถะวิปัสสนามักมีองค์แปดกับการแค่ทำดูลมหายใจตามเข้าและออกแค่นี้พอไหมคะหลวงพ่อโยมจะเอาอะไรไปไประยุกต์กับอะไรนะ ตอนแรกที่ถามว่าสมถะกับวิปัสนาคืออะไรแล้วก็เกี่ยวพันกับปฏิจจสมุ ป, ปบาทอย่างไรออือออแล้วก็มักมีองค์แปดคืออะไร อ, อทีนี้รายละเอียดเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากจําไว้แค่นี้ว่านั่งรู้ลมหายใจแล้วจิตหลุดไปละความเพลินเข้านิพพานได้แล้วยมจะเอาเข้านิพพานใช่ไหมไม่ได้เอาแตกฉานนะเอ อ, เ อ, อพอแค่นั้นเงี้ยแค่นั้นพอ นั่งรู้ลมเข้าลมออกไปแม้อยากรู้เยอะแล้วก็งงเองใช่ไหมสาธุครับพอบอกง่ายก็บอกง่ายจังเลยมันจะไปได้เลยขอเยอะๆหน่อยไอ้เยอะๆก็งงอีกกลับมาเรื่องง่ายนี่นั่งรู้ลมไปเนี่ยอาตมาถึงยืนยันกี่พระสูตรว่าผู้เจ้าบอกแค่รู้ลมละความเพลินจิตหลุดพ้นได้แล้วชื่อว่าเพียรเผากิเลสทาตามโอวาทพระศาสดา ไม่เหินห่างจากชานแล้วนะตรงเป๊ะหมดทุกอย่างเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแล้วจะเอาอะไรอีกใช่ไหมพอแล้วแค่นี้สุดยอดละขอเรียนถามนะคะเมื่อนั่งไปนานๆ น, นะคะลมหายใจก็คือเหมือนแบบมันจะเริ่มคล้ายๆว่าละเอียดขึ้นแล้วเราไม่รู้สึกอย่างนี้ค่ะแล้วคือบางทีอย่างที่บอกว่าให้รู้รู้ว่าเหมือนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างี้ค่ะ จะเหมือนก็มันเบามากจนแทบจะไม่รู้อย่างนี้ค่ะ uh huh. แล้วบางทีก็คือเหมือนเวทนาเกิดเราก็รู้ว่าเวทนาเกิดอย่างเวลาอาจจะรู้สึกเจ็บอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วบางทีมันก็เหมือนหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกหายไปแล้วกลับมาอีกอย่างนี้คือจะทำยังไงต่อไปอนะคะปัญหาคือจะทำยังไงต่อไปก็คือทำอย่างกันต่อไป ก็คือให้รู้ต่อล้ไปเรื่อยๆก็สังเกตเรื่อยๆมันไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีมีลมก็รู้ว่ามันมีลมผู้เจ้าก็บอกแค่รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ยาวรู้ออกสั้นรู้รู้หมดอ่ะมันบางเบาก็รู้มันหมดไปก็รู้นะก็ไม่ต้องทำอะไรจิตนิ่งระดับไหนก็ตามสิ่งที่ให้ทำต่อไปคือเห็นการเกิดการดับของขันธ์ทั้งห้าต่อไป ให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะเฝ้าดูจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี<ะ>แล้วให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งหน้า<ะ>ยังมีอะไรเกิดดับอีกไหมในความตั้งมั่นนั้นๆน่ะผู้เจ้ายืนยันว่ายังมีเกิดดับอยู่แต่เราไม่เห็นก็คือต้องสังเกตให้สังเกตถูกต้องขออนุญาตค่ะหลวงพ่อคะกับบทกล่าวที่บอกว่า หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานจะติดตามคู่ในอดีตหรอคะจริงหรือไม่คะใครจะมาติดตามโยมเนาะหนูอ่านจากหนังสือธรรม ะ, ะค่ะหนูก็เลยสงสัยอ่านจากหนังสือธรรมะเขาบอกว่ามีคนติดตามเหรอเป็นเหมือนคู่แต่อดีตอะคะ่ะคู่ตั้งแต่อดีตใช่ค่ะโอ้มันตามมา มีกุ๊กกุ๊กกๆกูติดตามอยู่เลยถึงเป็นข้อสงสัยอ่ะค่ะนงออ๋ออย่าไปสนใจเลยอนิจจังน ะ, ะเพราะว่าเห็น <c oughs> พระส่งบางรูปอะคะ่ะเวลาที่หนูไปกล่าวว่าเห็นบอกว่าจะมีก็คือเราต้องอธิษฐานเหมือนเช้าเย็นนะคะกับคำกล่าวบทนี้แล้วบางคนที่แบบว่าเออมีคู่หรือมีอะไรเราเลิกเลิกกันอะคะ่ะ เขาบอกว่าเป็นเหมือนเหมือนคู่ตั้งแต่ดีตชาตเราอะค่ะติดตามเราอยู่โอ้ไม่มีใครมาติดตามโยมหรอกคู่ปัจจุบันนี่แหละติดตามนี่แหละนั่นละทำสี่อย่างให้ดีนะศรัทธาจา้ะศีลปัญญาสี่อย่างตกลงโยมจะเชื่อใครถ้าเชื่อผู้เจ้าเนี่ยสี่อย่างนี้แน่นอนกว่าค่ะนะไอความเห็นที่ว่ามีอะไรมาติดตรงติดตามเนี่ย ไม่มีไม่เคยมีผู้เจ้าสอนนะสาวก <สา S 2> มาพูดกันเองนะแถมมีเนี่ยเทวดาประจำตัวมาติดตามโอ้ยเกิดเป็นเทวดาต้องมานั่งเฝ้าโยมตายอย่าไปเกิดเลยน ะ, ะไปเกิดเป็นอื่นดีกว่านะค่ะ ม, มีคำถามจากพี่เขาส่งมาเขาถามเามเขามีสามข้อคะ่ะข้อหนึ่ง หัวใจหรือแก่นสารของพระพุทธศาสนาคืออะไรที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยหัวใจนั่นเลยไม่เอาเอาเวาสอย่างอื่นมาสอนนะนะหัวใจล้วนล้ว น, วนอริยสัตสีปฏิจจสุวานนะเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของชีวิตผู้เจ้าบอกไว้อริสัตสีเกิดดับนีสอนบนใจในหัวใจทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอไม่สอนเรื่องอื่นอยู่แล้วแล้วข้อสองหลักการเรียนรู้ตามพระพุทธศาสนาคืออะไร หลักการเรียนรู้ตามพพนี่ไงเกิดดับเหนืออริสสีแค่นี้เองศาสนาพุทธจบที่แค่นี้อริสสีข้อสามหลักธรรมที่ช่วยพัฒ น, นาตนเองศีล ส, สมาธิปัญญาทําไมเริ่มที่ศีลแต่ไม่เริ่มที่ปัญญาเหมือนอริยมรรคองแปดที่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเริ่มตรงไหนก็ได้เริ่มศีลก่อนก็ได้เริ่มสมาธิก่อนก็ได้เริ่มปัญญาก่อ น, อนได้ได้หมด ไม่จำกัดนะแล้วแต่ใครเข้าช่องทางไหนโยมยังเป็นแม่ค้าขายปลาอยู่สินไม่ดีทำไง ม, มีเวลานั่งสมาธิไหมมีมีไปนั่งก็เริ่มจากสมาธิก่อนใช่ไหมอ่าแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตนะแล้วแต่เนาะอ่า ข, ข้างหลังเช่นหลวงพอ่อคะพอดีวะ เวลาคุยกับเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่เขานั่งสมาธิอะค่ะบางคนเขาบอกว่านั่งแล้วบางทีเขาเจอภาพที่ไม่อยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเห็นนิมิตที่แบบเออสวยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นมันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เกิดก็พราะเขาลืมลมหายใจพระศาสดาสั่งง่ายๆให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจดันไปลืมเองเนี่ยจิตมันก็ไปปรุงแต่งสร้างภาพน้นภาพนี้ขึ้นมา แล้วก็กลัวการปรุงแต่งของจิตเองโดนหลอกโดนตัวเองหลอกตัวเองนั่นไะใช่ไหมอย่าไปสนใจละนันทิคือความเพลินไปแล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมถ้ายมรู้ลมหายใจอยู่อารมณ์เหล่านั้นจะดับไปหมดจิตรู้ได้ทีละอารมณ์มันรู้สองอันไม่ได้หรอกเพราะนั้นพูะเจ้าบอกให้เอาจิตกลับมาที่ลมหายใจที่กายแค่นั้นเองนะวิธีง่ายๆภาพเหล่านั้นจะดับไปหมด ในกระดาษถามว่าอยากสราบวิธีที่จะใช้เพื่อช่วยคนที่เขาทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาคือเขามีความโปรดแค้นาคาดคนนั้นที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะฆ่าคนที่ทำร้ายและคิดร้ายกับตัวเองแต่เขาอยากหาวิธีที่จะช่วยคนทุกไม่ทราบพระอาจารย์พอจะมีคำแนะนำต่อพระพุทธเจ้ามีนะอ่า พระเจ้าบอกว่าถ้าโยมคิดจะสงเคราะห์คนให้สงเคราะห์เขาด้วยสติปัฏฐานสี่นะหรือให้รู้อริยสัจสนะีนะ่นี่คือการสงเคราะห์ที่ถูกต้องนะเนี่ยภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจะคิดสงเคราะห์ชนเหล่าใดซึ่งเป็นผู้สำคัญเธอว่าเป็นผู้ที่เขาวควรเชื่อฟัง จะเป็นมิตรอมาตญาสาโลหิตก็ตามพิสุททั้งหลายเธอพึงสงเคราะห์ชนเหล่านั้นด้วยการชักจวนให้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เถิดนะนี่แหละการสงเคราะห์ที่ถูกต้องหรือถ้าจะสงเคราะห์พ่อแม่ผู้เจ้าบอกแม่เธอจะแบกพ่อแม่ด้วยบาตั้งสองข้าง นะป้อนข้าวป้อนน้ำท่านอุจจาระปัสสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีก็ตามก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณกันหมดนะแต่ถ้าโยมสงเคราะห์มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ไม่มีศิลให้มีศิลผู้ไม่มีจาคะให้มีจาคะผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญานี่ชื่อว่าทดแทนบุญคุณกันหมดและเป็นการสงเคราะห์ที่ถูกต้องนะเนี่ยทอย่างนี้ก็พอแล้ว <c oughs> อ่าประเด็นอื่นมีไห้อ่าเชิการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรใช่ไหมไหนพุทธวจนะ ไม่ได้สอนอย่างไรสอนในเรื่องแค่ในส่วนสติปัฏฐานการมีสติการก้าวไปการถอยกลับนะถ้าปกติเนี่ยนะการเหลยวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนหยิบบาตจีวรสังกติการดื่นการเคี้ยวการลิ้มการอุจลาระปัสสาวะนะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งใช้ชีวิตปกติ การเดินเร็วเดินช้าเดินย่องเดินประโยงผู้เจ้าคําบาลีมีหมดแต่ไม่เคยสอนในการเดินโยมคงวะโยมจะต้องเดินช้าๆนะ้าย่องๆนะ่ะอะไรอตัวผู้เจ้าเองเนี่ยลองทํามาแล้วการเดินย่องเดินประโยงเนี่ยทำมาหมดนะแต่ไม่บรรลุเดินย่องช้าๆถึงขนาดว่าแม้หยาดแห่งน้ําเนี่ยเราจะไม่ให้กระทบกระทืนเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้ลําบากเพราะเราเลยค่อยๆย่อง ใครใครย่องย่องเนี่ยผู้เจ้าย่องช้ากว่าน ะ, ะค่อยๆย่องไปเรื่อยๆแต่ไม่บรร <c oughs> ลุดังนั้นสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้สอนใครมาคิดขึ้นเราก็ตัดไปไม่สืบต่อไม่สืบต่อกรรยานวัตที่มนุษย์คิดขึ้นสาวกคิดขึ้นเราจะสืบต่อกรรยานวัตที่าศาสดาบัญญัติ <c oughs> เดินปกติ ใครเดินช้าสติตั้งมั่นได้ดีก็เอาใครง่วงก็เดินเร็วนะระยะทางสั้นเดินเร็วก็เบียนหัวตายก็ค่อยๆเดินช้าๆนะอะ่ดึกแล้วเริ่มง่วงก็เดินเร็วแล้วแต่ไม่มีข้อจํากัดขอให้จิตอยู่กับกายเดินไปปุ๊บจิตไปไหนอะไปเที่ยวไหนเอามาอยู่นี่อยู่ที่การเดินเก้าต่อเก้าแบบนี้ 9. แค่นั้นเอง กุศลกรรมบดสิบมีอยู่ในภุทกนจะไม้มีนะเรียกว่าเป็นคนสะอาดเป็นคนที่ถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์มีคนบอกว่าเนี่ยเขายังบำเพอไฟอยู่ยังไหวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่เป็นคนไม่ดีพระเจ้าบอกไม่จริงนะเขาชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิฐิเบื้องต้นถึงแม้จะเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังเชื่อถือผิดอยู่ แต่ดีกว่าไม่เชื่ออะไรเลยการที่จิตไม่มีที่พึ่งเลยนั้นแย่ที่สุดการที่มีจิตมีที่พึ่งเขาจะทํากุศลมากกว่าเอากุศลเขาเขาจะเชื่อกรรมดีกรรมชั่วเชื่อบาปบุญโลกนี้โลกหน้าคนนี้พระเจ้าเรียก <c oughs> เป็นสมาธิเบื้องต้นอื่าแล้วพระองค์ก็ให้วัดสอบที่ว่าเขาเนี่ยทํากุศลกรรมบทสิบไหมถ้าเขาทําอักกุศลกรรมบทสิบ คนนั้นเป็นผู้ที่ถูกเก็บตัวไว้ในนรกแต่ถ้าเขาทํากุศลกรรมมโหสถเขาถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์แม้จะบําเพอไฟก็ตามแม้จะไม่บําเพอไฟก็ตามแต่ถ้าทําตรงนี้ไปสวรรค์นะแต่ถึงจะบําเพอไฟบูชาจิปาธะแต่ทําอกุศลกรรมมโหสถไปนรกตัวนี้คือตัววัด สินห้าจำเป็นต้องสมาทานไหมคำว่าสมาทานของโยมคือทำยังไงอะ่ะทำยังไงอะไรนะตั้งตั้งใจละเว้นในการกระทาผิดทั้งห้าข้อนี้แค่โยมตั้งใจก็ <c oughs> ถ้าโยมบอกว่าสมาทานคือตั้งใจก็สำเร็จประโยชน์แล้ววินาทีเดียวก็เสร็จวันนี้ฉันตั้งใจจะรักษาสินห้าจบนะ พุทธรูปก็ไม่มีในครั้งพุทธกาลไม่มีนะไม่ต้องไปวิ่งหาพระหาอะไรเว้นยมไม่รู้ว่าอะไรคือความดีไม่รู้จกักศีลห้ามาถามได้ถามแล้วก็เอาจําไปซะเราไปตั้งใจทำํำวันรุ่งขึ้นจําไม่ได้มาถามใหม่อ้าโอเคจําไปรอบที่สองรอบที่สามก็รู้จักสวดเองได้ไหมเนี่ยอาจจะบอกว่าไปฝึกษาธยายซะ พอสาธยายคล่องปากขึ้นใจโยมก็ไม่ต้องมาพึ่งพราแล้วใช่ไหมทำเองตั้งใจทำเองได้เนาะอ่าก็หมดคำถามเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาฟังพุทธวจนะ ทำวินัยที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นกําลังให้พระศาสดาในการสร้างความตั้งมั่นแห่งพระสักธรรมด้วยการศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปและด้วยเหตุปัจจัยคุศสมบบุญนี้ที่โยมได้ทําก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเป็นทํามเป็นวินยัยมีความเจริญลุ่งเรืองในชีวิต และที่สุดข็ยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพ า, า น, นในนาคตการอันใกล้โดยทุกหน้ากาันทุกท่านทุกคนเกิญสาธุขอเชิญทุกท่านท่านใจคุกเข่าืึองกราบท่านพระอาจารย์ไรคณะอ่าพิสุทีิ